คนมาปฏิบัติธรรมที่นี่สิ่งที่ต้องห้ามนะกติกาการเจริญสติหนึ่งห <c oughs> ้ามใส่นาฬิกาใครมีนาฬิกาเก็บมดเนาะไม่ใช่ว่ามาให้ดูนะแต่ว่าไม่ให้ใส่นาฬิกาไม่ให้ชีวิตติดกับรูปโลกกลิ่นเสียงนล้เนี่ยไม่ให้ติดกับวันเวลาถ้าวันเวลามาเป็นเงื่องไขของการฝึกฝนเนี่ยเนาะจะแย่นั้นไม่ให้มี ว่าเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปใช้อะไรเกี่ยวกับเวลาเลยนะถ้าเขาไม่ตีละฆังเราก็เลิกไม่ได้ถ้าตีละฆังไม่ตีละครังก็หยุดไม่ได้นะนั่นสัญญาณระฆังเป็นเกณฑ์เลยเนี่ยมีนาฬิกามีโทรศัพท์นไม่มีมการกินในแถมมาหนึ่งก็คือไม่ให้ใส่ชุดดําไม่ใส่สีสดําเข้ามาในศาลาดินั่นสีขาว สำหรับเสื้อนะเสื้อกันหนาวกันหนาว อ, อะไรก็ตามนะใช้สีขาวแล้วก็อย่าคุยกันไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะอย่าคุยกันนะเขาไม่ให้คุยกันเลยที่เนี้ยจะเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่มาด้วยกันต่างคนต่างอยู่ถ้าใครไปมันเพราะอะไรเพราะประโยชน์ของเราเองนนแะถ้าเราตั้งใจฝนก็คือฝึกอยู่คนเดียว คนเราเป็นทุกๆวันนี้เพราะอยากอยู่กันหลายๆคนมีคํานิยามของนักสังคมศาสตร์นะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมแต่ในแง่ของศาสนาเนี่ยเขาเรียกมนุษย์จะเป็นสัตว์ศีลธรรมนถ้าไม่มีศีลธรรมไม่มีวัฒนธรรมเป็นสัตว์สังคมแบบสังคมแบบลกูกโลกเนี่ยอันตรายใช่ไหมมันก็เหมือนสัตว์ทั่วๆไปนะมันเป็นไปเป็นฝูงอยู่ด้วยกันเนี่ยแต่ไม่อยู่ที่นี่ เป็นเสร็จมีศีลธรรมศีลธรรมวัฒนธรรมอะไรที่เรากําหนดขึ้นเนี่ยจละที่สําคัญก็คือเราจะพยายามให้อยู่เหนือกฎเกณฑ์ที่ชาวโลกเขาคิดเอาไว้เนี่ยชาวโลกเขาจะตั้งกฎตั้งเกณฑ์แบบนู้นแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าเป็นการควบคุมสังคมเอาไว้ให้มันอยู่ได้แล้วก็ตั้งขึ้นมานอกจากกฎเกณฑ์กับผู้รักษากฎถ้าไม่ปฏิบัติตามกฎก็มีบทลงโทษเนี่ย แต่ที่นี่อยากให้ท่านทั้งหลายฝึกสติเอาธรรมะเป็นเครื่องรักษาใจตัวเองเอาสติเป็นตัวรักษานะไม่ใช่ให้ที่นี่ตั้งกฎตั้งเกณฑ์อะไรท่านต้องรักษาตัวเองรักษาใจให้มันดีให้ทําอะไรก็ทําอันนั้นคือกฎระเบียบเนี่ยเกื้อกูลต่อธรรมนั่นเองบางทีอาจจะปฏิบัติตามลําบากหน่อยก็ไม่เป็นไรฝึกฝนไม่รู้ว่าคน คนใหม่ลองยกมือขึ้นดิคนไม่เคยฝึกยกมือขึ้นสูงสูงโอ้โหไม่เยอะเท่าไหร่นะมือลงคนใหม่คงต้องสอบเข้านะสามวันผ่านก็ได้ฝึกต่อไม่ผ่านก็จบกลับบ้านนะเจ็ดสอบก็ไม่ยากหรอกอ่าหนึ่งก็คำอัลลาห์ น, นาศีลอัลลาหนาทศอัลนาเนี่ยอัลลาห์นาศีนอัลลานาธรรม ควรจะเป็นคำถวายทานนะยทธิษฐีให้เวลาสามวันสองก็สอบอารมณ์ฝึกนนะทนต่อสู้กับเวทนาต่อสู้กับความห่วงความเงาความอะไรเนี่ยว่ามันผ่านไหมแล้วเป็นคนเจ้าอารมณ์ไม่หงุดหงิดไม่อึดอัดไม่หลับบ่อยๆไม่หนีไม ก็จะเริ่มมาฝึกกันในสลานี่แหละนั่งเฝ้ากันตั้งแต่เช้าจากแปดโมงเช้าก็ถึงสิบเจ็ดนาฬิกานานหน่อยนะก็ฝืเนเอาอย่างงุนหิดถ้าเป็นไปได้คืออย่าให้มันหลับอย่าให้มันง่วงมันเหงาอ่ะมันผ่านได้หรือเปล่าไม่รู้นะแต่พยายามผ่านให้ได้มันเบือ่อมันอะไรก็ทำนะอารมณ์ตื้นต้นเนี่ยให้มันทนได้ ได้หลายคนยะรู้สึกว่ายากลาบากยากลำบากก็คือเหมือนคัดออกนะนะั่นแหละคือคนตั้งใจฝึกน้อยนะพราไม่ผ่านก็คือก็กลับบ้านไปเนะี่ยหรือเป็นคนพูดมากคุยมากก็ให้ออกไปคนไหนไม่ตั้งใจเดี๋ยวลุกไปแล้วเดี๋ยวลุกไปแล้วเนะี่ยให้ออกไปไอ้คนที่ฝึกควอดเมื่อกี้นะี่ก็ยังไม่กลับบ้านก็เยอะนะนั้นก็ถือว่าให้โคต้าไป ไปฝึกต่อได้เลยเลยนะแต่ว่าคนใหม่ๆเนี่ยก็ต้องสอบก็คือฝึกสตินั่นแหละถ้าฝึกสติดีๆพอเราเข้าใจเนี่ยมันจะผ่านได้ไววันที่สามที่สี่ที่ห้าไปไวแต่ถ้าไม่ฝึกฝนไม่ช่วยคัดกรองเนี่ยคนขี้เกียจมันเกิดขี้เกียจคนคุยมากก็จะคุยมากจะรบกวนคนอื่นเขาคนไม่ตั้งใจก็จะมีแล้วก็จะคัดออก ก็จะเริ่มตั้งแต่ ว, วันพรุ่งนี้นะหลายๆคนเอ้ยผมมาอยู่สามวันอย่าคิดว่ามาอยู่สามวันแล้วจะไม่ได้กลับวันเดียวก็ได้กลับก็มีนะถ้ามาลบควนคนอื่นเขาหรือว่าไม่ตั้งใ จ, จก็คืออยากทำให้มันเป็นมกักเป็นผลเป็นลูกเป็นหน่วยไหนยนั่นคนที่ฝึกตัวฝืนบางคนอาจจะเจ็บปวดนะเจ็บขาปวดขานั่งไม่ได้ก็ให้โอกาสกลับไปรักษาหาหมอก่อนขาดีแล้วค่อยมาะ นะครับไม่ดีก็ไม่ต้องฝึกแต่ถ้าฝึกก็คือจะต้องไม่มีเหตุผลมาห้างนั่นอ้างีผมเป็ดผมป่วยดีฉันต้องอะไรงั้นนี้ที่นี้ไม่มีให้ไม่มีเหตุผลพอที่จะเถียงด้วยคุยด้วยนะนะเอาแต่คนดีๆคนดีๆหมายว่าสู้ตรงๆนะฝืนได้คนอายุหกสิบปีก็ตค ง, คงถูกคัดออกนะมีไหมในนี้ไม่จี มีหกสิบเกินหกสิบมีไหมไม่มีนะออกไม่มีแล้วไปที่นี้ไม่รับคนหกสิบปีนะก็ไม่มีเหตุผลอะไรหรอกฝึกหนักกลัวตายฆาวัดนะคนหนักไปอย่าให้ฝึกให้ฝืนเยอะๆนะเห็นยมผู้ชายคนหนึ่งมาในหลับทุกวันดวนเนี่ยยังไม่ได้สอบเขาไปนี้ก็ยังหลับอยู่ะทุกวนันทุกวนักวนเลยเนี่ยฝืนไม่เป็นนะ สงสารเขามันไม่ได้คัดกรองไม่ได้ช่วยอะไรมากมายแต่อย่างให้มันตื่นตัวจริงๆสองสามวันนี้น่าจะผ่านไดแล้วน่าจะเกิดปีติเกิดสมาธนะิเกิดปัญญาเกิดวิปัสสนาญาณขึ้นมาแล้วนะถ้าตั้งใจทําจริงๆเนี่ยแต่ก็มีความเชื่อยอย่างหนึ่งว่าท่านทั้งหลายตั้งใจมาคงตั้งใจมาจริงๆเนะี่ยแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติ บางคนอาจจะตั้งไม่ตั้งใจปฏิบัตินะแต่กลัวขายหน้าถูกไล่ออกไปเนี่ยก็เลยจะทำจริงเฉยๆนี่คือการสแสวงหาชีวิตมองในมุมที่เรียกว่าการสแสวงหาก็คือการสแสวงหามองชีวิตในมุมมองของการต่อสู้คือการต่อสู้ชีวิตมองในแง่มุมของการรับผลกรรมก็รับผลกรรมใช้นี่กรรมเลย ชีวิตคือธรรมชาติก็คือธรรมชาติแล้วแต่ว่าจิตของใครอยู่ในภาวะอันไหนอยู่ในมุมไหนเนี่ยก็มองเห็นมุมนั้นของชีวิตเนี่ยนี่เรามาแสวงหานะพระพุทธเจ้าบรมครูผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยท่านแสดงน้อยว่าชีวิตเกิดมามีสองประเภทชีวิตแบบคารวะกับชีวิต แบบส ม, มณะเพศมีสองแบบชีวิตของคารวะก็แสวงหาโลกกับธรรมธรรมะของชาวโลกโลกเี่ยเขาจะหาอันเนี้ยหนึ่งโลกลาบยศสรรเสริญสุขมีสี่อันนะที่ชาวโลกก็แสวงหาลาบยศสรรเสริญสุขแล้วเขาได้ไหมก็ได้ ได้ราบได้ยศได้สรรเสริญได้สุขแต่สิ่งที่เขาไม่อยากได้ก็แถมมามีราบก็เสื่อมราบมียศก็เสื่อมยศมีสรรเสริญก็มีนินทามีสุขก็มีทุกเพราะนี่คือธรรมชาติที่จะต้องมีเสื่อมราบเสื่อมยศนินทาทุกพวกนี้เป็นของจริงนะคนไม่แสวงหาแต่ได้แต่สิ่งที่ไม่มี คือลาบยศสารเสริญมันไมีเราสมมุติขึ้นมาแต่เราดันสแสวงหาเอาจริงเอาจังกับมั น, น่ได้ไหมเกิดได้นะนั้นคนในโลกทั้งหลายสแสวงหาโลกกฐธร ร, ธรรมะของชาวโลกเรื่องโลกโลกเอาไปเพื่ออะไรไปเพื่อไปดับทุกข์เพราะสมมุติฐานของคําว่าทุกข์ของชาวโลกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของอริยสัจไง ทุกเกิดจากอะไร่พูดให้เข้าใจเองพูดให้ไม่เข้าใจนะก็คืออวิชชาทูกให้ไม่เข้าใจเนะี่ยพูดให้ไม่เข้าใจคือความหลงทุกเนี่ยมันเกิดจากความหลงนะแต่เราไม่รู้มันไม่รู้ไงจึงมาพยายามทำให้มันรู้เนี่ยพอเราไม่เข้าใจชีวิตนะเราไม่ได้เฝ้าดูมันจริงๆเนี่ยมันก็ไหลไปตามกระแสเราไม่รู้ตั้งแต่การเกิด การแก่การเจ็บการตายไม่รู้ปรากฏการของความคิดที่มันเกิดแล้วมันกลายเป็นตัณหาเป็นอุปทานเป็นภพเป็นชาติเป็นทุกข์เราไม่รู้เท่าทันมันมันแวบขึ้นมาเม่อไหร่มันปรุงแต่งเมื่อไหร่ยังไงเนี่ยเราไม่รู้แล้วความไม่รู้นี่เกิดตั้งแต่เมื่อไหร่อวิชานี่มันไม่มีเบื้องต้นไม่มีท่ามกลางแต่มันก็มีที่สุด เราไม่รู้เลยว่าเราเกิดมาเนี่ยอวิชชาเนี่ยมันเกิดเราตั้งแต่สมัยเด็กๆเล็กๆหรือตอนไหนกันแน่เราจําไม่ได้เพราะมันซึมก็มาตีละน้อยละน้อยละน้อยอย่างความรักเนี่ยความโกรธ เ, เนี่ยมันซึมก็มาตีละน้อยละน้อยละน้อยแต่เราไม่รู้สึกตัวนิสัยสันดานเร็วๆหยาบๆนะเอาแต่ใจตัวเองเนี่ยมันเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่เราก็ไม่รู้สึกตัวมันเป็นตั้งแต่เรานึกไม่ออกค่ะ แต่มันก็มาประทับอยู่ในจิตเราแหละมีในตัวตนเราเป็นตัวเป็นตนเราแบบนี้เนะอัตตาเราเป็นแบบนี้ทีนี้เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าเราไม่มีพวกนี้แหละถ้าไม่มีพวกนี้สิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นกับชีวิตเราเนี่ยถ้าเราไม่หลงทางนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจะเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติอันนี้จังทุกอขอังอัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป เกิดดับด้วยธรรมชาติท่านก็เปรียบ ว, ว่าชีวิตแบบนี้เหมือนชีวิตของพวกอภัสราพรมอยู่บนชั้นฟ้ากายเบาจิตเบาเหาะไปได้ไปไหนตัวเบามีปีติเป็นพักษาหารจินอาหารด้วยปีติมีแต่ความเบื่อบิมความโล่งความปลงเดยนี้หนักกายหนักหัวหนักความคิดหนักอารมณ์ พอรูปวีตนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ไปมีอุปทานไปติดอยู่ในนั้นทั้งหมดเลยเรัแล้วหลงยึดว่าเป็นตัวกูของกูกายกูใครแต่ต้องไม่ได้หรืออารมณ์อะไรที่เกิดขึ้นอย่างง่วงเงาห้วเงาเศร้าซึมเนี่ยเราก็ติดมันติดความหวงความเหงาความเหงาขึ้นก็ติดคิดว่ามันมีตัวตนไงแล้วก็เลยไปเสวยเวิตนานั้นความเมื่อยเกิดขึ้นแล้วก็ติดเมื่อยเบื่อก็ติดเบื่อ ขี้เกียจก็ติดขี้เกียจอะไรซะเรพันในตัวเราเนี่ยสรุปแล้วก็คือ <c oughs> ภาษาเขาเรียกว่าเรามาหามูลเหตุภาษาเขาเรียก ว, ว่าสมุทัยของปัญหามูลก็แปลว่าขี้นะตัวเราเองมีแต่ขี้กําลังจะมาหาขี้พื้นมาเนี่ยขี้ <c oughs> อะไรบ้างอ่ะที่ทำให้เราเป็นทุกข์อะไรบ้างที่ทําให้เราหลง อะไรบางที่เราทําให้ความเกิดความอยากความปรุงความแต่งเกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยเรามาเฝ้าดมาูมันนะเนี่ยเพราะมันทําให้หลงว่าเราหลงอันนี้ปุ๊บหลงว่าความอยากตรงตามความอยากเนี่ยมีความรู้สึกอยากในกามอยากมีอยากเป็นอยากได้อยากอยู่อยากหนีมันเนี่ยกรมตัณหาภวะตัณหาผีภาวะตัณหา แต่วิธีการของเราก็คือมันไม่ใช่ว่าจะออกจากมันหรือทำลายทุกขอันเนี้ยเพียงแต่ว่าเราทำไงจะได้สนองอารมณ์มากขึ้นมันอยากกินแล้วก็ให้มันกินมันอยากนอนใะมันงอนมันอยากไปตามกิเลสตัณหาเงี้ยแล้วก็หาบำบุงบําเรอมันมันก็โตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นนะสักเกตไหมเราเกลียดใครสักคนเนี่ยถ้าเห็นบ่อยๆเกลียดบ่อยๆมันจะมากขึ้นรักใครสักคนก็เหมือนกันนะเห็นบ่อยๆบ่อยๆเอาทำดีบ่อยๆมันก็จะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น จะเป็นความรักมันกลายเป็นความรักเป็นความชังแล้วก็ฝังไว้ในใจเราแต่เราก็ไม่ได้มีความคิดว่าอืมไอ้ความรักความชังเนี่ยเป็นตัวกาหนดบทบาทชีวิตเราทั้งหมดความหลงเขาเ้าไปในความคิดหลงเขาเ้าไปอยู่ในอารมณ์ที่เราฝังเอาไว้เนี่ยมันเป็ียนตัวกาหนดบทบาทชีวิตเราทั้งหมดมันอยู่ตื้นบ้างอยู่ลึกบ้างหนักบ้างนะเอาออกยากเอาออกง่าย สิ่งที่ออกยากๆเ้าเรียกว่าอาสะวะธรรมกิเลสประเภทที่อยู่ลึกมากแกะไม่ได้เลยเลิกไม่ได้นิสัยแบบนี้กูฝืนไม่เป็นในาชาติเนี่ยเนีย่ยนอนตื่นสายอย่างเงี้ยกินมากติดในอารมณ์าคะอย่างเงี้ยชอบโกรธใครพูดอะไรมาโทษสาเกิดเลยหรือบางคนก็ติดแต่ความห่วงความเหงาลองดู้วปฏิบัติทำเนี่ยวันสองวันเองหว่วงนะ ความมวงเข้ามามากแล้วเอาออกไม่เป็นโดยเฉพาะพวกตื่นสายฝึกนอนตื่นเ้สายนอนดึกตื่นเ้สายเนี่ยที่นี่ถ้าต้องรีบฝึกนะต้องรีบสอบให้ผ่านภายในสองสามวันตื่นตีสามทีเนี่ยนอนสามทุ่มนอนสี่ทุ่มเลิกที่นี่สามทุ่มตรงกลางวันห้ามหลับ นั้นจึงไม่มีเวลาที่จะให้ทําค่อยๆเป็นค่อยไปไม่มีที่เนี้ยสองสามวันคุณต้องผ่านให้ได้ต้องมานั่งสร้างจังหวะนี้ต้องไม่หลับให้เห็นต้องตั้งใจแล้วไม่ต้องมาหงุดหงิดอึดอัดขัดเขืองใส่คุณต้องควบคุมมันนี้ให้ได้ถ้าคนไหนควบคุมไม่ได้ถือว่าอินทรีย์อ่อนออกไปเตรียมตัวกลับมาใหม่ถ้าจะมาเพราะเราถือว่าเป็นเรื่องหยาบๆมัเนี่ยทั้นมาอยู่ในศาลานี่ใหญ่มันง่วงมันเหงา ง่วงเอาคอพับคอเอียงอะไรนี่เห็นนี่เอา้าจะเริ่มชี้หนะ้าคนเนี้ยหนึ่งคะแนนแล้วนะถ้าสามวันมันไม่ดีขึ้นเนี่ยเช็คไปดีๆีเลยเอา้าประกาศต่อหน้าคนเนี้ยที่สามกลับบ้านได้เนี่ยคนนี้ไม่ผ่านนะคนนั้นไม่ผ่านคนนี้มันขี้เกียจขี้เกียจเข้ามาในสุลามก็ไม่สร้างจิว่ามันไม่เลยเรื่รู้มีแต่เหงามีแต่ง่วงจำน่ายออกไป เรามองว่าคุณเป็นคนสําคัญนะที่มาที่เนี่ยท่านเป็นคนสําคัญถ้าท่านตั้งใจฝึกฝนาศาสนานี่จะเจริญเพราะท่านแต่ในขณะที่วกันถ้าท่านขี้เกียจไม่ฝึกไม่ฝนในทิฐิมานะจะเกิดจากท่านาศาสนานก็จะเสือ่อมเพราะท่า น, นะท่านถ้ามันไม่เสื่อมไม่เจริญคือออกไปอยู่เป็นแบบธรรมดาก่อนหาเที่ยวหากินแล้วเมายาตามถนทนห่นทางเนี่ยกลับบ้านไปแต่เข้ามาที่นี่ให้มันเกินร้อย การต่อสู้เนี่ยมันเกินร้อยไม่ได้ต่อสู้กับใครต่อสู้กับกิเลสต่อสู้กับความหลงได้ว่าเนี่ยเราหลงทางชีวิตเนี่ยมันหลงทางถามว่าทุกคนหลงทางนะในโลกเนี่ยอยากจะพูดว่าใช่ก็ได้ฟังดีๆนะทางของพระพุทธเจ้าที่อยากให้เดินเนี่ยคือทางของชีวิตเนี่ยเขาเรียกว่ามรรคมรรคผลนผิพพานเป้าหมายคือนิพพาน ชีวิตเนี่ยเกิดมาเพื่อนิพานทีนี้เส้นทางที่เราเดินชีวิตเนี่ยดําเนินชีวิตปัจจุบันเนี่ยมันไปนิพานได้ไหมมันใช่หรอือทางเดินหนีพานไม่ใช่มักก็ไม่ใช่แล้วนะหรือเพียงแค่เป็นสัมมาทิฏฐิคือความเข้าใจที่ถูกต้องเบื้องต้นก็ไม่มีคนทั่วไปเนี่ยแต่ ไม่แน่นะท่านทั้งหลายที่ตั้งใจมาเนี่ยลลงตามเพราะท่านทั้งหลายก็มีพื้นฐานนะั่ที่มาเนี่ยมีความตั้งใจดีที่มาทําเนี่ยแต่ตั้งใจดีไม่ดีก็ตามนะเข้ามาสู่กระบวนการการคัดเลือกกว่าอยากตั้งใจให้ดีที่สุดอากติ ก, กาหนึ่งก็คือตื่นดึงลูกเช้าหน่อยมาตอนเย็นเนี่ยเขาตีตะครังแม่งเลิกเลิกนะปฏิบัติธรรมนะ ตอนเช้าจากตีหนึ่งถึงตีสามเนี่ยห้ามอาบน้ํากลัวท่านทั้งหลายจะใช้น้ําเปลืองถ้าก็หลังปัดกวาดเสร็จนะว่าฟังเทศฟังทำไปนี่ยังง่วงอย่างโ ง, ง่ฟื้นสู้อย่าไปเอาเหตุผลไอ้นี่มาใช้นะว่าผมไม่ได้ตั้งใจมาที่ไม่ได้ตั้งใจมาถูกบังคับมาเ น, นี่ยนี่ไม่ได้เกี่ยวกันนะมาแล้วคือตั้งใจทำนั่นเองไม่ตั้งใจทำ อ่างพอนอน น, นี่ก็ให้ออกไปเขาตีละครั้งแม่งอาบน้ำไปอาบน้ำยังไม่ตีละครั้งห้ามไปอาบน้ำนะเสร็จปุ๊บเอา้าวเข้ามารอนี่ห้าโมงสี่สบห้าประมาณนะั้นตอนเย็นนะ่ะแล้วก็ไปเดินจงกรมก็ไปพร้อมเขาคนไหนที่มาช้าจะบังคับให้ถูสาานี่ใหม่สาาบ้างนะ ทูสลานั้นบ้างไปปัดไปกวาดไปทำนู่นทานี่ทำงานเนี่ยทำงานเขาเรียกว่าจะมีพระมาคอยจัดการช่วยเหลือท่านคุมประพฤติมัญชาทุกวันทำโทษยังเกินสองครั้งนะถ้าเกินสองครั้งขี้เกียจ ม, มากก็คือให้ออกไปความพร้อมไม่มีความเข้มแข็งไม่พอไม่ใช่เขาไปแล้วตีแต่ครั้งแล้ว ยังเอ่อยออกมาประมาณนั้นจะเหนื่อยจะเมื่อยยังไงก็ตามเลยนี่ที่เราฝึกคนนาโกฝึกทหารเกณฑ์สักสองเท่าเลยนะแต่ก็ยังไม่เห็นใครตายนะทําำแต่มีคนดีขึ้นดีขึ้นพอเราฝึกเข้าใจแล้วมันจะสบายมันไปเองตอนเที่ยงทีละครังกินข้าวเสร็จแล้วก็ไม่ให้นอนนะบางคนกลับไปนอนตอนเช้าปัดกวาดไปนอน ท้องศาลนะเป็นคนอ่อนแอเึ้นไปตัวเราก็ตัวใหญ่ต่างคนก็ต่างมีความสามารถมาเ น, นี้เข็นเอาฟอร์มสดๆออกมาเมื่อไหร่คุณจะเป็นตัวเป็นตนนะเป็นคนที่มีศีลมีธรรมมีความอดความทนอดกลั้นมีสติมีสัมปัญญมีสมาธิต่อสู้กับความคิดความอยากของคุณเองเป็นถ้าไม่ฝึกไม่ฝืน จะให้ใครไปวอดเล้วเอาคนนี้อยา่าทามีนะคนนั้นหยุดนะโอ้ยเมนนื่อยอันเนี้ยนั้นอย่าให้มันมีอันเนี้ยแล้วโตไวๆมาปฏิบัติวันแรกเป็นเงงไม่เข้าใจวันที่สองทรงพัฒนาขึ้นวันที่สามพัฒนาขึ้นวันที่สี่พัฒนาขึ้นอันนี้หลายวันไปยิ่งแย่ลงพระสงฆ์เจ้าในวัดเนี่ยเขาอยู่เป็นห้าปีหกปีเจ็ดปีแปดปีถ้าค น, นเขาตายแล้วโยมมาอยู่เนี่ยกินข้าวสองมือ้อ วันสุดท้ายไม่กินฟังดีๆนะวันสุดท้ายอาจจะไม่ให้กินตอนเช้าคือระเบียบอะไรก็ไมไ่ต้องรับรู้นะแต่มีหน้าที่ปฏิบัติก็ปฏิบัติไปเราจัดการเงื่อนไขให้ปฏิบัติในนี้ก็ทําในนี่ให้ปฏิบัติตรงโน้นก็ทําในโน้นลมใครกลมมันตั้งใจทําพุทธธรรมเนี่ยมีอยู่แบบหนึ่งก็คือคนมาปฏิบัติที่หลังเนี่ยตั้งใจปฏิบัติสักห้าเจ็ดวันเจ็ดวันอาจจะ ทะลุรู้แจ้งเท่ากับพระฝึกมาสิบปีนะอันนี้มันต่างสิ่งที่น่าศึกษานะ่าเรียนรู้ ม, มากคือภาวะอันนี้แหละมันไม่ใช่เรียนรู้ไปทีละน้อยแต่น้อยแต่น้อยใหม่เงื่อนไขทั้งหมดทีเนี่ยที่จัดการเนี่ยคืออยากให้เราปฏิบัติทำแล้วสติต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ในความรู้สึกตัวเนี่ยให้มันต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ถ้าไปทําอย่างอื่นอยู่เนี่ยเราไม่ตั้งใจทําเดี๋ยวไปซักผ้าเดี๋ยวไปทำโน่นทานี้ สติมันไม่ต่อเนื่องพอไม่ต่อเนื่องมันก็กลายเป็นสมาธิไม่ได้พอไม่มีสมาธิปัญญารู้แจ้งก็ไม่เกิดนั้นการพูดคุยกันก็เป็นอุปสรรคอย่างมากไม่ว่าจะในทางจงกรมหรือในที่นอนนะที่ไหนก็ตามอย่าพูดอย่าคุยกันต่างคนต่างอยู่ต่างคนจังทาความรู้สึกตัวนี่นี่ทําเหมือนไม่รู้จักกันมานี่ยนี่เหมือนไม่รู้จักกันนะที่มาเนี่ย ต่างคนต่างเรียนรู้พอกลับไปแล้วค่อยรู้จักกันะ่ะมาที่นี่ไม่ต้องรู้จักใครให้รู้จักตัวเองมันหงุดหงิด น, นะนี่มันเบื่อนะนี่มันคิดมากนะเนี่ยนะแบบนี้เนี่เราฝึกไปเรื่อยเรืยเร่ยเรียนรู้มันไปเรื่อยนอนก็จะพูดจะคุยกันจะรบกวนกันเนี่ยต่างคนต่างทําตั้งใจให้เกลียดคนอื่นที่เขาตั้งใจมาที่นี่นอนด้วยกันก็มีนะหรือใครอยากนอนคนเดียว มีเต็นท์มาเ็าเต็นท์ไปกลางนะเราบอกที่ให้ว่าผู้หญิงกลางตั้งไหนผู้ชายกลางทั้งไหนกลางสวนตัวมันจะไม่มีใครคุยกับเราเลยถ้าเรานอนเต็นท์เนี่ยมันสบายแต่ถ้านอนหลายคนในบางทีก็หงุดหงิดนะหือด่าลำคาญคนที่อยู่ใกล้เสียงโกรนก็ทางนั้นนะวก็ติดไม้ลอยไว้ในห้องนอนในใต้ปรี น, นออกอากาศเนี่ย เสียงมันดังอาบน้ำก็ปิดไฟเสร็จแล้วนะปิดน้ำให้เรียบร้อยเพราะวัดโสมนั้นเนี่ยไม่มีกระบวนการจัดการสอนธรรมะแบบหาลายได้ไม่ได้มีแบบนั้นนั้นก็ช่วยกันประหยัดหน่อยไม่เป็นองค์กรแบบนั้นนะแต่ว่ารายจ่ายมันก็เยอะ ทีนี้รายจ่ายเนี่ยก็ไม่เป็นไรขอแต่ว่าจ่ายไปขอให้มันเป็นประโยชน์เป็นมากเป็นผลเป็นสติเป็นปัญญาเป็นความละอายมียลีโอ ต, ตะปะอะไรขึ้นมาหน่อยแต่ถ้าปล่อยทิ้งเฉยเฉยเนี่ยไฟปล่อยทิ้งน้ําปล่อยทิ้งมันไม่เกิดประโยชน์อะไรอ่ะมันไม่เกิดมันเป็น NPL นั้นทุกอย่างบริหารให้มันเป็นประโยชน์หมดอทรัพย์สินเนี่ยเนี่ยตั้งใจ ผล น, นะละเวลาปัดกวาดก็ปัดกวาดขยันหน่อยเยอะๆหน่อยกําลังมันมีของเราเนี่ยกินข้าวแล้วมันก็เกิดขึ้นอีกเวดากวาดไปมันเมื่อยเดี๋ยวขึ้นอีกเมื่อกี้ลงตาไปกับพระสองสามรูปเนี่ยไปตัดหญ้าอยู่ทางโ น, น้นตัดหญ้าเป็นตอนตัดตอนเช้าไม่เหเสร็จก็เลยขึ้นเอารถออกเลยลงไปตัดให้มันเสร็จหญ้าในสวนไผ่นะ หกเจ็ดไร่นะลงเมื่อยไหมมันเมื่อยอ่ะแต่มันเมื่อยเดี๋ยวมันก็หายเมื่อยเราก็พักผ่อนซะน้อยเดี๋ยวมันก็หายเนี่ยมันยังไม่หายไปนอนเดี๋ยวมันก็หายตื่นขึ้นมาไปกินข้าวหรือมันก็หายกําลังก็เกิดใหม่มันเกิดได้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยเหมือนกันน่ะท่านปฏิบัติธรรมบางทีบรนวันนี้อาจจะเอาแทบตายนะเมื่อยนอนว่าจะลุกไม่ได้ตื่นมาเมื่อกี้เฉาเฉมเหมือนเดิมมันพักผ่อนเสมันก็เป็นทมาอีกคือมันเป็นธรรมชาติมันอ่ะ แต่เราอย่าไปเป็นกับมันมันเมื่อยก็อยา่ยาเป็นเมื่อยมันเบื่อก็อย่าไปเป็นเบื่อมันขี้เกียจก็อยา่ย า, ยาไปเป็นความขี้เกียจมันอยากก็อยา่าไปอยากตามมันอยู่ใครอยู่มันจิตเนี่ยกายก็คือกายจิตก็คือจิตทําไงเราจึงจะแยกรูปแยกนามออกจากกันเป็นนั่นก็คืออย่าหลงเข้าไปในอาการที่มันเป็นเพราะความหลงเนี่ยอวิชชาเนี่ยมันเป็นนะมันมาตั้งแต่เบื้องต้นแล้วนะตั้งแต่เราเข้าใจว่าเป็นกายกู มึงก็คือมึงน่ะชื่ออันนี้น่ะตัวตนแบบนี้นะรูปร่างแบบนี้นะนี่พ่อมึงแม่มึงพี่มึงน้องมึงนะศาสนามึงอะไรประมาณเนี้ยของกูเนี่ยมันมีกูมีมึงมันสะสมนี่เลยหยิกก็หยิกกูปมาณนั้นะกูไม่ได้หลักกูไม่ได้นอนด่ากูว่ากูมันสารพัดเน่ะมันเป็นตัวกูของกูเนี่ยคือความหลงหลงว่ามันมีแบบนี้เนี่ย เมื่อไหร่เราจะถ่ายถอนภาวะที่มันยึดติดในสิ่งที่มันเป็นสมมติเนี่ยออกไปจากใจได้สิ่งที่เราจะมาทำคือทำอันเนี้ยทำภาวะที่ความหลงเนี่ยให้ออกไปจากจิตเราก็เลยมาฝืนมาฝึกมาเรียนรู้มันเอาเริ่มต้นเพราะเราสะสมตัวไม่รู้เป็นอวิชชาอวิชชาแปลว่าไม่รู้แจ้งเนี่ยดูที่ดิเนี่ยอวิชชานแปลว่าไม่รู้แจ้ง เรารู้ไหมเนี่ยรู้นะรู้จํำมาเนี่ยนั่นแตมาว่าคนเราเนี่ยเป็นทุกข์เพราะความยึดติดเพราะอุปทานในขันเพราะเราหลงว่าเป็นเราเป็นตัวกูของกูเป็นอหังการเป็นมะมังการเป็นตัวกูเป็นของกูเอตังมะมะเนโซหเมสเมเอโซอัตตาติโนหิตังปฏิหลงว่าเป็นตัวกกูของกูแต่จริงๆก็มันเป็นธาตุเป็นขันธรรมดาในความรู้สึกนะ ที่ไม่วางกดระเบียบไว้เนี่ยซึ่งลึกๆฝืนมากๆเนี่ยตัวตนนี่มันจะทะลุออกมาอีกเนี่ยมันจะไม่เอาจริงเอาจังกับตัวเองมันจะปล่อยอารมณ์ให้มันหลงไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆแล้วก็ฝึกฝนยากนั้นเราถือว่าเป็นเรื่องหยาบๆพวกนี้ท่านกั้นเอาไว้ท่านกบมันเอาไว้ท่านฝืนยิ่งถ้าปฏิบัติธรรมเนี่ยฝืนมันสักสองสามวันในควา ม, มงม่วงจะหลุดไปความโป่งจะเริ่มมีและรู้สึกว่าจะมีกําลัง กำลังในการที่ต่อสู้กับมันนสติพละสมาธิพละปัญญาพละมันจะเริ่มมาแล้วเขาเรียกว่ามีกําลังกําลังของอินทรีย์ศรัทธาพละเนี่ยเดีย๋ยวนี้มันไม่มีศรัทธาพละมันก็มีศรัทธานะที่จะต่อสู้กับกิเลสเนี่ยมันก็ไม่มีมันไม่เข้มแข็งน่ะดวงตา ก, ก็ต้องอดทนเยอะๆนะมาสอนพวกเธอนี่ก็ต้องเอากําลังมาสู้นะเมื่อยไหมก็เมื่อย ไม่แต่ก็เมืก็คือเมื่อมาคิดว่าโยมมาไกลกว่าตมาเนะอยตมาเดินมาใกล้ๆเนี่ยก็อดเอาทนเอาช่วยเหลือกันไปทําทำไงไมันจะเกิดดวงตาเพราะความหลงนี่มันเอาออกยากมากนะต้องอาศัยการกระแทกแดกดันนะอาศัยการประเลาปะปะลมอาศัยการยกหย่องสะลรเสิญ น, นะร อาศัยการเฉยเมยกับมันกทุกอย่างนะทุกอย่างต้องใช้ทุกไม้ช่วยมันถึงจะออกมาได้ใจเนี่ยดังนั้นมาที่นี่ศรัทธาให้เต็มร้อยคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติธรรมนะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาศรัทธาศรัทธาที่จะทําเนี่ยเวลาสอนอะไรแล้วตั้งใจทําเลยศรัทธาวิริยะไม่ต้องมาศรัทธาพระนะ ศรัทธานี่ศรัทธาความรู้สึกตัวที่บอกว่าศรัทธาสติเนี่ยอืมอย่างถ้าบอกว่าสติถ้ามีเยอะๆนั้นมันจะดับความคิดมันจะเกิดการรู้แจ้งมันจะทําลายอวิชชาที่บรกว่าเราเป็นทุกข์เพราะอวิชชาเพราะความหลงหลตัวหลงตนเนี่ยะแล้วก็หลงพฤติกรรมที่มันแสดงออกหลงนิสัยสันดานที่มันมีในใจทั้งที่มันไม่มีอ่ะมันไม่มีแต่เราไม่เคยฝึกเคยฝนไงมันก็เลยเป็นอัตตาตัวตนเรามาตลอดมาที่นี่มาเปลี่ยนแปลงมัน มีศรัทธาเต็มที่วิริยะกล้าทากล้าเปลี่ยนแปลงสติความรู้ตัวรู้ตัวต่อเนื่องไอ้ตัวสำคัญเนี่ยคือตัวสตินี่แหละสตินี่สำคัญถ้ามีศรัทธาเฉยเฉยมาแต่ถ้าไม่มีความรู้สึกตัวไม่มีตัวรู้ไม่มีสติเนี่ยมันไปไม่ได้เลยนะปฏิบัติธรรมเนี่ย ลหลายคนไปนั่งสมาธิไปทุกวันสัมมังนั่นั่งไปสํานักนี้ก็ไปแต่ไม่มีความรู้ตัวที่มันต่อเนื่องความรู้ตัวคืออะคือสติสตินะสติคือความระลึกรู้เนี่ยเราทํานี้เนี่ยมันจะรู้นีรู้สึกอย่ น, นี้นะอันนี้สติของคนทั่วไปนะอันเนี้ยสติมันคล้ายๆ ค, ความจำนะ แต่มันความรู้อันนี่ยรู้รู้สัมผัสอย่าเงี่ยมันรู้สึกเขาเรียกว่ารู้สึกรู้สึกไม่รู้สึกรู้สึกว่ามันถูกันเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าถ้าสติก็อยากจะพูดว่าเป็นเมล็ดมัอนน่ะมันไม่ใช่ตัวมันจริงๆให้ใด้เข้าให้ได้อกรู้สึกท้องฟองยุบรู้สึกทีนี้ทําความรู้สึกเนี่ยรู้สึกนี้รู้สึกเฉยเฉยไดรับรู้แต่อาการมันสดสดนะ ไม่ได้คิดตามนะส่วนมากเวลารู้สึกส่วนน้อยมันจะคิดไปทั้งอื่นน่นให้รู้สึกเฉยเฉยเนี่ยแต่รู้สึกจนกระทั่งมันรู้ตัวทวั่วพร้อมรู้มากขึ้นมากขึ้นสังเกตว่าจิตมันจะโป่งหรอโล่งขึง้นมาถ้ามันมีผลเนี่ยต้องรู้สึกไอ้ความรู้สึกเนี่ยมันจะไม่รู้สึกมันจะลืมมันจะเข้าไปในความคิดหนึ่งแหละเข้าไปในความง่วงหนึ่งแหละมันมีสองเงนินหนึ่งเข้าไปในความคิดสองเข้าไปในความง่วง เราก็ไม่ให้มันเข้าไปในความง่วงไม่เ ข, ไเข้าไปเข้าไปในความคิดก็ไม่เข้าไปให้มันรู้ตัวตลอดบางคนเขาพลิกมืออย่างนี้เอาไม่ดูท้องพองยุบนะบางที่เขาก็ไม่หลับตาที่นี่ไม่หลับตานะใครหลับตาเนี่ยจะให้พระเอาช้อนแทงตามันอย่าหลับตาลืมตาขึ้นตานี่มันหลับมานานแล้วก็ไม่เห็นอะไรอะไม่ได้เห็นอะไรยิ่งหลับยิ่งไหล พหลับแล้วมันจะไหลไปสู่ความง่วงง่ายลืมตาขึ้นเนี่ยมันไม่ปลุงแต่งหรอกนะมันจะบ้ามากขนาดนั้นเหรอลืมตาเนี่ยเห็นใครก็เกิดอารมณ์ลาขะโทสะโมหะเลยเหรอฟุ้งซ่านเลยเหรอมันไม่น่าจะเป็นพราะมาเห็นทุกวันทุกวันเห็นพระก็นังตอนย้อนเด๋ยมันจะฟุ้งซ่านอะไรอ่ะไปอยู่ในสวนเกิดอยู่ในกอไผ่ก็มองกอไผ่ มันเห็นมันจะปรุงแต่งหรือมันไม่ปรุงแต่งรอกมันจะเป็นบ้างบางวันแต่ถ้ามันเป็นมันปรุงแต่งเนี่ยมันมีดีตรงที่ว่าเราได้ต่อสู้กับความคิดอันนี้เฮ้ยมันคิดอันนี้นะเนี่ยทำไมจะดึงกลับมาได้แต่ถ้านั่งหลับเฉยมันไม่เห็นอะไรนะเนี่ยมันไม่เห็นความคิดความอยากอะไรเลยนะเหมือนมวยนะชกเป้ากับชคของจริงเนี่ยคนที่จะเป็นแชมป์คือโชคของจริงนะ เหมือนกันเน่ะการต่อสู้กับความอยากที่เกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจปิดตาสองลูกปิดจมูกสองรูเปิ ด, ปดหูสองข้างเปิดปากซะบ้างนะครับแล้วมาเฝ้าดูใจเรามาเฝ้าดูมันปล่อยมันปล่อยตาปล่อยหูนี่แต่ว่ารู้สึกเนี่ยเนี่ยเรายกมือเนี่ยเป็นประคองความรู้สึกตัวนี่รู้สึกความรู้สึกคือสติสติคือความระลึกรู้แต่ส่วนมากมันระลึกรู้ได้ในน้อย พธดชังโคสติสังคาโตธรรมานังธรรมะที่เปลี่ยนไปเพื่อการตัดสู้เพื่อการรู้แจ้งเพื่อการดับทุกข์ที่แท้จริงเนี่ยภาษาเขาเรียกว่าพธดชงมีอยู่เจ็ดอย่างสติสังขามีหนึ่งสติสองธรรมะวิจัยมีสติและมีสังเกตอารมณ์ตัวเอง มีสติคือความระลึกรู้เนี่ยถ้าเราไม่ฝึกเยอะๆมันจะสังเกตเป็นเดี๋ยวมันสังเกตไม่เป็นนล้วมันก็ไหลไปกับความคิดเนี่ยนั้นฝึกให้มันอยู่กับตัวเองก่อนให้มันมีอํานาจของสมถะก่อนเดี๋ยวมันจะเกิดวิปัสสนาระลึกรู้แบบนี้แต่อย่าไหลตามความคิดแต่ความคิดก็จะมารบกวนเราอยู่เรื่อยมายั่วมายวนเราอยู่เรื่อยเพราะว่ามันมาอยู่อย่างนี้ตั้งแต่เกิดมาแล้วมันสะสมมาเนี่ยมันมากมันจะชวนเราคิดชวนเราง่วง ชวนเราเบื่อชวนนั่นชวนนี้นะอย่าไปยุ่งกับมันรู้สึกไปเรื่อยๆนี่เรามาเจริญสตินะเนี่ยมาเจริญสติไม่ได้มาเจริญความคิดนะเนี่ยไม่ได้มาคิดหาธรรมะแต่มาทําความรู้ตัวเนี่ยรู้ตัวถ้ามันคิดละตัดทิ้งซะความคิดกลับมารู้สึกตัวใหม่เนี่ยเรืลอกรู้ใหม่สิบสี่ท่านนะเนี่ยดูเอาที่พระนะ เ, นเวลาเขาสอบแล้วสร้างจังหวะไม่เป็นก็ตกนะเนี่ยเอาดีดีเด้เ ถ้าบางคนไม่บอกไม่ได้จับมือทำทาไม่เพี้ยนอะไรปัป๊ม๊เบิ่เผอดเดี๋ยวบอกยกมือซ้ายยกมือขวาเออสติมันไม่พอ อ, อออกไปข้างนอกก่อนไ่ฝึกก่อนแล้วค่อยมาใหม่ันตั้งใจดีๆนะแต่คนโอ้ครูเถีนอ้ออเอาจริงนะเวลาสอบก็เหมือนกันแหละลงปู่สั่งก็จะถือไม้นี่ควบคุมนึงเวลาหลับนะ หองสุสังคที่เป็นคนควบคุมการแสดงวันนี้ไม่ได้ออกมาถ้า อ, ออกมาเราจะเห็นรู้ว่าท่านโหดมากนะไม่ผิดกฎหมายนะที่นี่เพราะว่าเขียนกฎและเบียดไว้ว่ายินยอมปฏิบัติตามตกฎกติกาที่นี่ทุกประการนอกจากมีสติมี่จะมีความรู้สึกตัวอันนี้มากๆเลยเนี่ยการทําให้ต่อเนื่องเขาเรียกว่าสมาธิไม่ใช่รู้แต่ตอนยกมือนี้นะ รู้ยกตีนดยกมือนี่แต่พอไปเจออารมณ์ไหนรุดแล้วไหลไปกับความคิดแล้วเบลอเอาใหม่เนี่ยเอาใหม่เะไรย่างนั้นต้องมีวิทยาวิทยาคือขยันสู้กับความคิดตัวเองนะขยันสู้กับความปรุงแต่งอันนี้อย่าไปยอ่อทอมันนะดึงเอาออกมาความสามารถเราทั้งหมดเนี่ยมันยากกว่าการเรียนหนังสือนี่ยเนี่ยการบรรลุธรรมเนี่ยมันไม่ได้เหมือนทั่ ว, วไปนะบรรลุธรรมก็คือทะลุอารมณ์ของเราที่มันมันมีอยู่ในใจเนี่ยเราอยาฝึกจากฝืนมาเนี่ย ก้าทะลุก้าเปลี่ยนแปลงมันง่วงก้าสู้อยู่ทัางทะลุความเบือ่อทําดยทั้งมันเป็นอนาาัตตาเป็นความว่างขึ้นมานะเฮ้ยความเบือ่ออยู่ๆดูก็ดับเลยเนี่ยเบื่อมากก็ดับไปหายมาันความง่วงมาดูเห็นปุ๊บมันหายเป็นอนัตตาเลยเนะี่ยนั้นสติต้องเยอะๆอันนี้ตัวรู้สึกตัวนี่ต้องเยอะๆเยอะจนทั้งวันมันเป็นสมาธิสมาธิคือความรู้ตัวต่อเนื่องกันเนี่ความคิดเข้าไม่ได้เนี่ยถ้าเรารู้สึกตัวไปนี้ ความคิดมันเข้าไม่ได้บางคนจออ้องอออกยากให้มันรู้มากไม่ต้องจ้องนะรู้เบาๆเฉยๆเนี่ยามันจะปวดหัวเพ่งมากเลยมันด้ปวดหัวนะเพ่งจ้องปวดหัวไม่ต้องไปกินยาอะไรนะมาดินี่ไม่ต้องกินยาถ้ากินยาแล้วมันจะง่วงอีกและกินยามันก็ปวดหัวปวดห้ววดาง กินก็ได้กินเน่ยแต่อย่าไปง่วงนะถ้ากินยาก็เดินปกติได้อย่ามาอ้างวุ้ยผมกินยาอยากนอนไม่กินก็ได้แต่อย่า ง, ง่วงแต่ว่าวิธีชีวิตเราเนี่ยมันไม่ใช่สติเราทํางานเนะี่ยมันจะถูกสารอนะไรสักอย่างบังคับนั่นเราก็อย่าไปยุ่งกับมันตอนนี้เราไม่เป็นอะไรใช่ไหมมาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็อยู่กับภาะวะที่ไม่เป็นอะไรนี่แหละระลึกรู้ไปเรื่อยเรื่อ ย, อยนั่งทํา พ า, าพอมันมีสมาธิรู้ตัวท่วพร้อมเนี่ยเกิดขึ้นอีกหน่อยมันจะเกิดยะถาปูตยานมันจะรู้แจ้งตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วใจท่านจะสว่างแจ่มใสมาแล้วมันรู้สึกมันมีพลังในการต่อสู้แล้วคล้ายๆว่ามองเห็นทางน่ะมองเห็นทางนะทีนี้โอ้อันนี้เองที่ทางเดินของชีวิตที่ตมาพูดเมื่อกี้ว่า คนเราเนี่เดินแบบหลงทางเราไม่รู้จักทางอ่ะเห็นไหมกว่าจะรู้จักทางมันนานมากนะถ้าไม่สะสมตัวสติสมาธิปัญญาแล้วเกิดวิปัสสนาขึ้นมาเนี่ยมันไม่รู้ว่าทางไปทางไหน่คนทางโลกก็จะจมอยู่กับกิเลสตัณหานะอยู่กับกามอยู่กับความใคร่กับรูปรสกลิ่นเสียงพอมาปฏิบัติธรรมก็ น, นิ่งซะสงบ ไม่สนใจกดข่มมันน้อยไม่มันคิดมันก็หลงไปทางสมาถะซะมันไม่ใช่ทางของมรรคอันเนี้ยทีนี้พอมาทําความรู้ตัวทุพล้อมขึ้นมาเนี่ยจิตมันตื่นมันรู้ลูบลูน้ำขึ้นมาเกิดสติเกิดสมาธิขึ้นมาเป็นความโล่งความโปร่งความเบาเป็นภาวะที่ไม่ต้องกําหนดรู้ไม่ต้องบีบไม่ต้องบังคับแต่มันเป็นรู้ตัวของมันเองโอ้อันนี้ทาง ไปหาพระพุทธเจ้าไปทางนี้นะฮะพอเราเห็นความโล่งความโปร่งพอรู้ลูบลูลนามขึ้นมาเนี่ยมันเริ่มเป็นมักละทางโอ้ทางเป็นยีเนทางจิตเนี่ยหลายหลายคนนะแม้จะมาเดินจงกรมมาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ยังหาทางไม่เจอนะอยู่กับความคิดนะเดี๋ยวนี้อยู่กับความคิดยิ่งคนอยู่กับความม่วงอยู่กับดีตะนาคตเนี่ยยิ่งไม่เห็นทางทางธรรมเป็นแบบหนึ่งนะ ทีนี้เรามาปฏิบัติธรรมเพื่อหเห็นธรรมทางที่จะไปหามักหาผลหานิพพานเนี่ยผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นบอพระพุทธเจ้าเนี่ยเราก็ต้องหาธรรมะนนี้ให้เจอธรรมะแบบไหนเนี่ยธรรมะคือความสะอาดสว่าสงบธรรมะคือการรู้ยิ่งเห็นจริงมันจะเกิดมาจากอะไรนะเกิดจากสตินะธรรมะนังวิยโยตธาวิยมปิติปัจจัติโพชังคาจะตถาประยะิยสมาทุเปกะโพชังคา ส, เทเทสัตติเตสัพพตัญญามมนินาสสมัทธคตาสมัทธค ต, ตาสมัทธาโตคือต้องทําให้ถูกมีสติมีธรรมะวิจัยมันจะเริ่มสังเกตแต่กว่ามีสติลเลยเริ่รู้น้อยน้อยนะนะมันไม่เป็นสมาธิให้แต่พอเราฝึกสมาธิมาเริ่มโตเนี่ยมันจะเริ่มสังเกตอารมณ์เป็นแล้วมันไม่หลุดนะเราเรียกว่ามีธรรมะวิจัยธรรมะวิจัยไม่ได้หมายว่าเอาอะไรมาคิดนะ แต่รู้ตัวให้ต่อเนื่องธรรมวิจัยเนี่ยสังเกตเป็นแล้วทีนี้มันไม่ออกมันง่วงมาก็เห็นมันมันคิดมาก็เห็นมันเบื่อก็เห็นมันชอบอยากทาแบบเดิมๆก็เห็นมันนหะไม่ทําตามมันแล้วรู้สึกว่ามีสิทธิ์ต่อรองได้ด้วยฝืนได้อ่ะนะพอทำไปสองเออไม่รู้สึกฝืนอ่ะเอ้ามันฝืนมาสักเดี๋ยวมันก็ดับเองอ่ะสักพักนะ พอเรากล้าฝืนเห็นมันสังเกตแล้วก็เห็นเห็ น, หนแล้วก็ฝืนฝื น, นมาเข้ามาเข้ามาเข้าฝือนอารมณ์นะฝืนง่วงฝืนเงาฝืนขี้เกียจเนี่ยอีกสักพัมันจะหลุดออกพอมันหลุดออกเนี่ยความคิดเนี่ยมันจะหายไปความปรุงแต่งหายไปความห่วงกอ ง, องหายไปมันจะมีความโปร่งเกิดขึ้นนะ่ะนะเรียกว่ามันมีปิติน่ะมีปิติแล้วก็มีความสงบ มีสมาธิมีอุเบกขาภาวะอุเวกขานู่ะผานกระบวนการนี้มาทั้งหมดเนี่ตรงนั้นเนี่ยเป็นเป็นอริยมรรคเป็นเส้นทางของมรรคมันเป็นมรรคอยู่โ น, น่นกว่ามันจะเป็นมรรคได้ยากมากไม่ใช่ว่ารู้สึกตัวนี้หายใจเข้าหายใจออก่องยุบแล้วมันจะเป็นให้เป็นสภาวะธรรมวะเนี่ยที่มันจะเกิดขึ้นกับเราเองเนาะเสร็จไปศพหนึ่งแนละ้ว พ่อแม่าก็ดีเขาไมอยากเอาลูกมาฝึกเนาะความตั้งใจนะมันเข้าไปในความคิดเนี่ยยังออกไหมพอมันเข้าไปในความคิดมันก็ร้องขึ้นมานะเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยอย่าเข้าไปในความคิดนะเนี่ยพอลงไปเขาดึงมันออกจากความคิดเนี่ยให้มันคิดเรื่องอื่นเอาขนมนไม่ลูกมันเลยหยุดไป โยมก็แบบนั้นแหละจริงๆนะแต่โยมเนี่มันอัตตาตัวตนมันน่ากลัวกว่าเด็กปฏิบัติทําไปสักพักหนึ่งก็จะเป็นว่า <c oughs> เฮ้เราเลยมันแก่เกินไปน่าจะเด็กจะบรรลุทําไว้กว่าเนี่ยนะคิดนะจริงไม่ใช่หรอกเด็กก็คือเด็กนะผู้ใหญ่ก็คือผู้ใหญ่ต้องไม่ใช่ผู้ใหญ่และไม่ใช่เด็กทํำมาเนี่ยไม่ต้องเป็นอะไรทั้งนั้นน่ะเป็นแต่ความรู้สึกตัว ถ้าคิดว่ากูเป็นกูกูเป็นผู้ใหญ่ยิ่งจะโง่มากกูเป็นเด็กก็ยังโง่มากอย่าเป็นอะไรทั้งนั้นนะอย่าให้มันเป็นอัตตาตัวตนจิตเนี่ยพอมันเป็นมัจพูดมาเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นมัจมัจ ก, ก็คือมันโล่โงโๆโปรงๆง่ว ง, งก็ไม่มีเหงาก็มีมีแต่ความรู้ตัวทั่ ว, วพร้อมอย่างเดียวเขาจะเริ่มจากนั่นปฏิบัติธรรมเนี่ย เริ่มจากตรงนั้นเริ่มจากจิตตรงนั้นไอ้ง่วงไงเหงาไอ้เบือ่อไอน้นายขี้เกียจอะไรประมาณเนี้ยอันนี้มันมคนละเรื่องไม่ใช่เรื่องของโลกุตรธรรมไม่ใช่เรื่องของวิปัสสนาเขาเรียกว่ามักโสดาปฏิมักโสตาปติโสต ป, ปฏิผู้มีจิตตกกระแสตกกระแสก็คือฝึกสติรู้สึกตัวทัวน้งางไปสู่ความโล่งความโปร่งนั้นทีนี้ไอ้ผลนั่นนี่ถ้าเราทําต่อเนื่องไปมันจะเกิดปัญญารู้แจ้งขึ้นมาแล้วมันจะไปสลายอันนั้น ไอ้ที่ความหลงหลงว่าเป็นกูนี่นะหลงว่าเป็นกูเป็นตัวกูเป็นของกูเป็นเมึงเป็นอะไรประมาณนี้จิตเนี่ยมันสะสมเป็นราคะโทสะโมหะจิตเราไม่รู้เท่าทันเนี่ยความโกรธความโลภความหลงอะไรต่างที่เราหลงไปเนี่ยมันจะหายไปเองโดยธรรมชาติมันบางคนนี่ฝึกได้วันสองวันมันก็ปิ้งก็มาก็หายไปแล้วแต่บางคนสักสามวันบางคนก็เจ็ดวันบางคนก็ มากกว่าเจ็ดวันฝึกบ่อยๆ บ, บ, บางคนก็ไปเป็นที่บ้านฝึกที่นี่มีความเริ่มเข้าใจมั้ยเอาไปทำาอก<ช>แต่ถ้าฝืนที่นี่ยังไม่ได้กลับไปบ้านมันไม่ค่อยฝืนหรอกฉะ<ช>ั้นมาที่นี่ก็จะพยายามทําให้พวกเราฝ่าอารมณ์ให้ได้สู้มันให้ได้เพราะว่าอารมณ์เนี่ยจริงๆอัตตาตัวตนท้งหลายมันไม่มีตัวตนเน่ะพุทธศาสนาเขาสอนเรื่องอนัตตาจริงๆความทุกข์เนี่ยมันไม่มี ไอ้ที่มันมีเนี่มันเพราะความหลงว่ามันมีเฉยๆเราหลงว่ามันมีหลงว่ามันเป็นทุกข์เราเลยเข้าไปอยู่ในทุกข์เดี๋ยวนี้ทีนี้จะสอนให้ออกจากทุกข์เนี่ยคือออกมาอยู่กับความรู้สึกตัวนี่เฉยๆบางคน่าถนัดความหลับตาบางนคนถนัดอะไรไม่ต้องถนัดอะไรเลยมาที่นี่พาสร้างจังหวะก็สร้างจังหวะนะพอ ก, กลับไปบ้านแล้วก็ไปทาอย่างที่เราอยากทาแหละแต่มาที่นี่ทาแบบนี้ทำเถอะนะ อัตมาเข้าข้างวิธีการนะว่าอืปัจจุบันนี้ไม่มีวิธีไหนที่เข้าใจได้ทําได้ง่ายครับเท่ากับวิธีนี้นะเข้าใจได้ง่ายเท่ากับวิธีนี้นะอันอื่นนี่มันยากมันผ่านอารมณ์ยากนี่ผ่านง่วงก็ยากละผ่านปฟงแต่งนี่ก็ยากละผ่านฟงสร้างนี่ก็ยากละผ่านความคิดก็ยากแต่วิธีมันก็คือวิธีนะมันสําคัญอยู่ที่คนสอนด้วยเนะ๊ วิธีดีดีวิธีลงปูเทียนเนี่ยแต่ต่างคนต่างสอนก็ยากนะอันนี้ยเอาให้คนหนึ่งสอนเป็นแบบหนึ่งให้คนหนึ่งสอนเป็นหนึ่งอาตมาเองก็ถือว่าวิธีนี้มันดีมันง่ายแต่ว่าไม่ได้หมายว่าตัวเองจะสอนคนให้เข้าใจธรรมะได้ง่ายๆนะยากมันยากมันดีเฉพาะคนที่ตั้งใจฝังตั้งใจปฏิบัติตามเลยดังนั้นสัจธรรมเนี่ยมันมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้ว อาวิชาคือความไม่รู้แจ้งฟังนะเนี่ยอวิชาคือมันไม่รู้แจ้งพอมันเราทําความรู้ตัวทั่วพร้อมไปผ่านตัวปีติตัวสมาธิตัวปัญญาเกิดการรู้แจ้งขึ้นมาเนี่ยมันจะมาทําลายไอ้นี่ไอ้ที่ไม่รู้แจ้งนมันจะเป็นวิชาขึ้นมาเลยวิชาขึ้นมาฉั้นพอเกิดวิชาปุ๊บมันจะมีเจรณะสัมปันโนอา้าวปฏิบัติพอมันเข้าใจสังเกต ด, ดูนะคนนั้นเปลี่ยนไปเลย มันไม่เหมือนเดิมเมื่อก่อนเป็นอีกแบบนึง่งพอเขาเกิดบรรลุธรรมเกิดการูจ้จนิสัยเขาเปลี่ยนไปอีกแบบหนึง่งมันไม่เหมือนเดิมเลยเพราะไอตัวนี้คือตัวเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งหมดเนะี่แต่ก่อนวันนี้คือตัวควบคุมจิตเราถ้าคนได้สติสั้งน้อยก็พอประคองสักหน่อยเดี๋ยวก็ลืมแต่ถ้าเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงเนี่ยเกิดวิปัสนาญาณขึ้นมาแล้วผลักจิตออกไปสู่วิมุตต์นะ สมาจิฐิสมมาสังกปะสมะวาจาสมมากมันตะอาชิววายมะสติสมาธิสมายานเกิดความอย่างรู้รู้แจ้งกันมาแล้วสมาวิมุตต์เนะ่ยสมายานสมะวิมุตต์หนูนอนก็ได้นะนอนอย่างเดิมน่ะเมื่อกี้นี่ยได้ดีแล้วมันเกิดง่วงเนาะมันโมเคยเดี๋ยวพรุ่งนี้หลวงพ่อจะพาไปฟังลัมซิ่งอุตส่ามาเนะตั้งใจ ถ้างั้นก็นั่งสร้างจังหวะแบบเขานี้ก็ได้นะนี่ทำยกมือเล่นๆเนี่ยทำมือเล่นๆที่นี่ไม่อบรมเด็กเด็กตัวเล็กๆเนี่ยไม่อบรมสองขวบสามขวบสี่ขวบห้าขวบหกขว บ, ขว บ, ขว บ, ขวบถึงมัธยมหกไม่เอาที่นี่ไม่รับอบรมแล้วก็ไม่รับอบรมคนที่อายุมากแต่ในขณะเดียวกันมันมากับพ่อกับแม่มันก็เอา แต่ก็จะอยู่ในกระบวนการสอบเขาวันนี้เหมือนกันนะ่ะถ้าสอบผ่านก็คือผ่านถ้าสอบไม่ผ่านก็คือต้องพากลับหนูปัญหาแล้วเพราะอะไรเพราะว่าไม่อยากเมื่อยแนละ้วพระไม่อยากเมื่อยแต่จะช่วยเหลือจริงๆก็คือได้เนะี่ยแต่ไม่ค่อยมีเมตตาเมตตาน้อยเดี๋ยวนี้มีแต่จะฆ่าลูกเขา <c oughs> ให้หลวงปู่สังไปนั่งเฝ้าก็หลับก่อน ก็ไม่ได้มันจะมีปัญหาคือถ้าเด็กมากับผู้ใหญ่เนี่ยไม่ได้ทั้งสองคนสรุปคือจะไม่ได้สองคนนะ่ะไม่ได้คนนี้ก็ห่วงคนนี้คนนี้ก็ห่วงคนเอาไปมาเอาไปมายากลำบากตอนเย็นก็จิตมันก็นจะแวะไปคิดกับมันเนี่ยมันจะได้อารมณ์ยากสมาธิก็เกิดยาก แต่ก็สงสารนะเอาไว้ที่บ้านก็ไม่มีใครดูแลโอ้ยก็อยากมาปฏิบัติธรรมแต่ถ้าอยู่ที่บ้านแม่มันก็ดูแลไม่ดีพ่อมันก็ดูแลไม่ได้ก็เลยเอามาด้วยมันเหตุผลยุบเยอะแยะไปหละนะแต่จริงๆก็คือจะเข้าใจธรรมะนี่ยากมันจะยากเพราะว่าห่วงลูกเหมือนเชือกปูกคอห่วงผัวห่วงเมียเหมือนปอผูกศอกห่วงทรัพย์สมบัติเหมือนดักปลอกสวมเทา้ามันจะยาก แต่ก็ไม่หมายว่าคนทำไม่ได้นะทำได้แต่ความเพียรตรงเยอะหน่อยทั้งผีเลี้ยงทั้งโยมทั้งอะไรประมาณนะั้นบางทีบางคนมันตั้งใจฟังมีเด็กคนหนึ่งมันมาปฏิบัติธรรมมากับแม่มันพาะไม่มีใครดูแลมันที่บ้านหาข้าวให้กินก็ไม่มีแม่ว่ามีจะจะมาปฏิบัติธรรมเขาก็เลยมาแม่มาสามครั้งแล้วยังไม่รู้ลูปนามเด็กคนนี้มันมาทำครั้งเดียวรู้ลูบนามเอา อยู่ปอสี่ปอห้าเองเ่ยแบบนั้นก็มีนั่นมันว่าให้ไม่ได้ว่าเด็กมันจะไม่รู้ผู้ใหญ่จะไม่รู้มันมันแล้วแต่จิตเนี่ยแต่ละขณะสุดท้ายคือสอบเอาถ้าสอบผ่านคือผ่านไม่เกี่ยวกับผู้ใหญ่ไม่เกี่ยวกับเด็กแต่ว่าจะให้เปิดคอร์ดอบรมเด็กเฉพาะเนี่ยไม่เอาเนี่ยมันยากมาเข้าเครื่องสแกนเราเนี่ย ฝึกฝืนได้แต่ถ้ามันวิ่งเข้าวิ่งออกวิ่งไปวิ่งมามแหมว่าเนี้ยถามว่ามีเมตตาไม่มีอ่ะมันมีเมตตาต่อผู้ใหญ่เนี่แหละเมตตาต่อทุกคนเนี่ยแหละนะแต่ว่าปัญหามันจะเกิดขึ้นเยอะสำหรับผู้ที่จะฝึกอันมาจากเด็กจากอะไรอยางนี้เนี่ยอืแต่บางคนเราเห็นตัวเล็กเด็กๆ เ, ก เ, ก เ, กเกนี่ยพอมาที่นี่พุบมันโตเตนมดีนะ จิตมันโตทันทีเนี่ยมันพร้อมแต่ดีที่จะสู้เนี่ยมันฟังแล้วมันฝืนมันมีความละอายอยู่สภาพแวดล้อมแล้วมันให้วันดีเลยเนี่ยมันสู้ได้ทันทีบางทีก็เป็นวันสองวันหลังจากนั้นก็ปกติเนี่ไหมนั้นพวกเราอยู่ด้ยกันคืออย่าไปหมุ่ดหงิดกับคนนั่นคนนี้นะบางทีโตแทบงตายตัวอย่างกับควายแต่ว่าใจเนี่ยน้อยๆนะไม่ฝึกไม่ฝืน มีแต่จะเจ็บจะไข้มิแต่จะป่วยมิแต่อย่างนี้กลับอะไรมาเนาะมันหนะ่แ <c oughs> น, น, นเกินไปก็ให้โอกาสเขาว่าดังนั้นปัญหามาอยู่ที่นี่สิ่งที่เราจะทําเนี่ยจริงๆเนี่ยทําอะไรมาทําความรู้ตัวนะเพราะความรู้ตัวนี่เป็นแกนมันอันอื่นนี่เป็นเปลือกมันมารยาท ก, ก็ดีอะไรก็ดีคําสวดควําอวยพรคําอำราตนานสีนรัตนาธรรมเป็นเปลือกมันนะ แต่ก็อยากให้มีเราเป็นพุทธศาสนิกชนเนี่ยควรจะมีควรจะได้พวกเนี้ยอาราธนาศีลก็ไม่เป็นอาราธนาธรรมก็ไม่เป็นถวายทานก็ไม่ได้ไปดูดิพวกคริสต์นะพวกอิสลามพวกเนี้ยเขาแข่งขัดนะนจริงเขาจังอันนี้ก็เหมือนกันว่าปฏิบัติทรามก็มันเป็นหน่อยฝ็กให้มาได้ กิริยามารยาทการกินการดื่มการไปการมาการพูดการจาทั้งหมดนั้นเอามารวมลงในความรู้สึกตัวเนี่ยเขาเรียกว่าสัมรวมเอารวมมาในความรู้สึกตัวเรารู้สึกตัวเรื่อยๆนี่รู้สึกตัวกินก็ให้รู้สึกตัวอาบน้ำก็รู้สึกตัวทําอะไรก็ให้รู้สึกรู้สึกก็คือมีสตินั่นแหละแต่สติตัวนี้เนี่ยถ้ามันไม่มากพอมันไม่เป็นการรู้แจ้งให้นะมันไม่ถ่ายถอนตัวอวิชชาให้ วิชาไอกว่าไม่รู้แจ้งนั่นต้องมีการรู้แจ้งเกิดขึ้นมันจะเป็นแบบนี้ะมันไม่รู้แจ้งเพราะอะไรเพราะมันหลงลืมตัวบ่อยๆลืมตัวบ่อยเราก็รู้สึกตัวบ่อยๆรู้สึกตัวบ่อยเข้าบ่อเข้าไ่อยเข้ามันก็มันต้องบาลานซ์กันสองอันเนี้ยมันมันคิดแล้วเราก็รู้สึกมันคิดเราก็รู้สึกรู้สึกมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันลงแต่งอยู่ลึกๆเราก็เริ่มรู้มากขึ้นรู้ว่ากจนถ้ามาเป็นการรู้แจ้งคือมันทําลายความไม่รู้อันนี้ออกไปได้ การู้แจ้งก็จะมีระดับภาษาพระก็จะเรียกว่าปุเพนิวาส า, สานุสติญาณจตุปฏญาณอาสวกรคญาณเนีน่ยรู้แจ้งแบบญาณไหนที่ทําเนี่ยบางทีบางคนก็เกิดสติพัฒนาขึ้นมาหน่อยไม่เป็นให้เนะี่เพราะไม่พอเป็นสมาธิเจ็ดวันไม่พอจะเป็นสมาธิเลยจะทําให้มันเป็นปัญญามก็ไม่เป็นให้ บางทีก็มีปีตินะเกิดโลง่งโๆโปร่ง ๆ, งๆขึ้นมาแต่น้อยนึงหายจ้อยบางทีอารมณ์เนี่ยเดินไปเดินมาให้ความคิดดับได้น้อยนึงแต่ก็หายไปแล้วเฮ้ยเอาไม่เนี่ยมันกลับมาคิดอีกแล้วมาปรุงแต่งอีกแล้วมันมาง่วงอีกแล้วมันเหงาอีกแล้วเมื่อวานกูหายแล้วมึงความง่วงเนี่ยวันนี้กลับเป็นอีกเนะี่ยความง่วงนี่ยให้มันเกินห้าวันสามวันนะต้องให้มันหายตั้งใจทําดีๆ ไอ้ที่พูดเนี่ยที่ตั้งระเบียบเนี่ยมันมาจากการฝึกฝนมาจากประสบการณ์ของคนมาปฏิบัติธรรมเนี่ยทำจริงจังสามวันห้าวันก็บรรลุแล้วถ้าตั้งใจทํานะไอ้ไม่ได้พูดดูถูกคํำวินัยพุทธเจ้านะหลายคนเนี่ยเขาตั้งใจแล้วเขาเข้าถึงได้สายพุทธการการบรรลุธรรมเป็นยังไงสอนปัจจุบันนี่ก็เป็นแบบนั้นแหละมันไม่เกินกันมันเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมะเนี่ยมันมีธรรมะฝ่ายกิเลส มันทะลุกิเลสทุกตัวไปเลยทะลุแต่งตุ๊บเหมือนลูกโป่งเน่ยสว่างกันมาหลังจากนั้นลูกโป่งนี้นก็เป่าก็ไม่ติดเนี่ยแบบนั้นน่ะเราเคยกโกรธใครซักคนเนี่ยคิดมากเนี่ยพอมันทะลุอันนี้ปุ๊บมันก็ไม่เป็นอีกแล้วจนตายมั้นอันนี้คือวิทยาศาสตร์ทั้งจิตพระพุทธเจ้าท่านไปนรับรู้นี้แล้วท่านเข้าใจท่านหมดทุกท่านว่าโอ้ยฉันหมดทุกแล้ว ท่านทั้งหลายถ้าอยากหมดทุกมาทางนี้คนไหนทำได้ตามที่เขาเรียกว่าสาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเป็นโยมก็ได้เป็นพระก็ดีเป็นเหมือนกันหมดนะเข้าถึงทำได้ดงนั้นเป้าหมายคือการทําลายอาวิชชาถ้าทําลายาวิชาได้หมดก็เป็นนิพพานแต่ถ้าวิชาทําลายาวิชาได้นน้อยมันก็เป็นโสดาบันเนี่ยทํา ม, มากขึ้นก็เป็นสกิทาคามีมากขึ้นก็เป็นอนาคามีนะแล้วก็เป็นอรหัน มาเนี่ยอย่างน้อยฝึกให้รู้ทำเห็นทําให้จิตมันตกกระแสให้ได้จิตตกแสคือได้ดวงตาเห็นธรรมไม่ได้ผู้มีดวงตาเห็นธรรมเขาเรียกว่าเป็นพระโสดาบันนะเป็นพระโสดาบันโ ส, สดาบันก็คือทุกน้อยนะ่ะทุกมันน้อยสามารถดับความคิดกับความปรุงแต่งได้ระดับหนึง่งคิดว่าท่านทั้งหลายคงทําได้แล้วเอามาเริ่มต้นนะ วางมือที่นี่พลิกมือขวาตะแคงขึ้นเนี่ยแล้วเพื่งข้างตัวาที่สืดอือพลิกซ้ายกับมือขวาเค่นมือขวา้นา อ, อกออกข้างตัววางบนหัวเขาวความความลงหนึ่งสองสามสี่หหก เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่หนึ่งไหมแต่ตอนทำไม่ให้นับนะทำอันนี้มันจำนานพอทำเป็นปุ๊บแล้วเนี่ยเราก็ใส่ความรู้สึกลงไปเหมือนเราเดินเนี่ยเดินตั้งหลายก็เดินเป็นแล้วตั้งแต่เกิดพ่อแม่สอนนะเดินไปนแล้วแต่เดินแบบมีสติเนี่ยต้องมาฝึกเอาเดินเป็นแล้วแต่มันไม่เป็นเพราะมันไม่รู้สึก พระเนี่ยเขาเดินตามถนนร่นทางถอดรองเท้าทางรันยางโอ้ยพองเต็มที่เลยแต่เขาก็ไม่ยอมใส่รองเท้าเพราะอะไรให้มันเจ็บเจ็บมันจะไม่คิดไปข้างนอกไงมันจะมาลูแต่เท้าเนี่ยเดินไปมันลูไปเดินไปมันลูไปลูแต่เท้าเนี่ยแต่คนส่วนมากไม่ได้ปานนั้นนะ่ะรู้สักน้อยแล้วก็ลืมรู้สักน้อยก็ไม่ได้ใสใช่ไม่พอที่จะทําให้มันเป็นมากเป็นผลไปวัดไปว่ากัไปทําบุญทําทานนั่งสมาธิพอแปบ๊บมันจะเป็นอะไรให้ พระบุญญาอกมีสติต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ท่งนจะตื่นนอนโดยทั้งหลับตาเจ็ดวันยังต่ํำยังต่ำเจ็ดวันถ้าคนมีปัญญานะเขาไล่มาตั้งแต่ตเจ็ดปีก็ได้เจ็ดเดือนแล้วก็มาเจ็ดวันคนมีปัญญามากภายในเจ็ดวันคนมีปัญญาเล น, น้อยโง่ที่สุดเนี่ยนําถึงศาสนาพุทธไปปฏิบัติธรรมเจ็ดปีรู้แจ้ง มันต้องเกิดปัญญาละดับทุกได้เป็นพระอรหันต์แต่ถ้าอย่างน้อยเจ็ดวันไหลไปถึงโน่นนะพูดยาว่าบางคนปัญญาเยอะมากมีความอ่อนน้อมถ่อมตัวมีคนว่าง่ายซ้อนง่ายเป็นคนตั้งใจที่จะเลียรู้แล้วมีบา ร, รมีเก่าเขาบ่าบา ร, รมีเก่าคือเป็นคนปล่อยวางอยู่แล้วในส่วนหนึ่งเป็นคนปล่อยวางเป็นคนจิตบางว่างบางเนี่ย สอนตอนเช้าบรรลุทำตอนเย็นเนี่ยประทนันิเทศตอนเย็นเนี่ยไปทําก่อนนอนก่อนเช้านี่รู้แจ้งนะเป็นพระอรหันตะ์อัญญาสติวัาฐิเสสเสนาคามตตาสามารถบรรลุอลหรหันต์ในปัจจุบันชาตินี้หรือถ้าเมื่ออุปาธิยังเหลืออยู่ก็เป็นพระอนาคามีอนาคามีก็คือดับอารมณ์กรมมาาคะได้อารมณ์กรรมมาาคะเนี่ยเป็นปัญหา ที่สุดสำหรับชีวิตมนุษย์นะอานาคามีก็คือผู้ไม่มีอารมณ์แบบชาวบ้านอารมณ์กามรมาลคะาเนี่ยมันหายไปมันดับได้เพราะนั้นคุณก็ต้องมีสติระดับมักคยานของพระนาคามีเข้าไปทำลายอะไนียแล้วแต่ว่าสติเราเนี่ยมันจะผันได้เป็นจังหวะไหนมันจะโตระดับไหน ปืนมีปืนเหมือนกันเนะ่ะปืนลูกกดจุดสองสองจุดสามแปดเนี่ยจุดสี่ห้าจุดสามห้าเจ็ดเนี่ยปืนใหญ่เนี่ยอนุภาพมันไม่เหมือนกันนะเหมือนกันสติเราเนี่ยสติขนาดไหนเดียเ๋ยวนี่มีสติขนาดทํา ม, มาหากินทางโลกโลกนั่นเหรออันนั้นแบบหนึง่งสติที่จะทําลายความโลภโกรธหลงเนี่เป็นอีแบบหนึง่งมันต้องต่อเนื่องอะเ น, นี่ย ต้องมากพอลนะ่ะต้องรู้ตัวทั่วพร้อมชัดเจนนั้นการดับทุกข์เนี่ยมันอาจจะอยู่ในการยกมือสร้างจังหวะนี้ก็ได้หรืออาจจะไปเดินจุกมทําความรู้สึกตัวกับกายก็ได้ท่านบอกว่าให้รู้สึกตัวกับการยืนเดินนั่งนอนอาการสามสิสองของร่างกายเนี่ยเคลื่อนไหวตรงไหนรู้สึกตัวตรงนั้นพลิกมือนี่ก็รู้สึ ก, ยสกขยับเดินก็รู้สึกเดิน ร, รู้เท้าไม่ต้องบริกรรมนะไม่ต้องมีพองยุบเป็นต้องมีพุทธตัวเลย เอาแต่ใจให้รับรู้กับอาการเนี่ยยกมือสร้างจังหวะไปอย่านั่งเฉยๆเวลาฟังเนี่ยอย่ามาตั้งใจฟังตั้งใจรู้สึกนะรู้สึกไปเรื่อยๆมันฟังไม่รู้เรื่องก็ยจังหวมันทํำไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวฟังก็รู้เรื่องยกมือก็ทําได้แต่คนใหม่ๆเนี่ยเวลาฟังอะไรจะไม่รู้เวลาตั้งใจรู้จะฟังไม่ได้ตั้งใจรู้เนี่ยมันจะฟังไม่รู้เรื่อง อันคนสติอ่อนคนสติอ่อนเนี่ยทําอะไรได้ในน้อยถ้าทํำหลายอันพร้อมกันเนี่ยไม่ได้เลยจิตอ่อนแล้วคนอย่างเนี้ยโทสะจะเยอะเพรนั้นปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาจะทําอะไรพร้อมๆกันทั้งสามอันสี่อันก็รู้เรื่องเห็นไหมเวลาเขาฝึกนะทำเนี้ยมือเนี่ยมือนี้แบรแต่มือนี้ไม่ได้เบรนะลองลองทำนิ้วดึงดูดิเอานิ้วที่สองชี้นี่กลับไปกลับมาคือสมองนี่สั่งสองอันพร้อมกันได้มันไม่เหมือนกันนะแล้วเริ่มไปเป็นสามอันเนี่ย ไม่เหมือนกันมือหนึ่งทําแบบหนึง่งแต่มือหนึ่งทําำอีกแบบหนึง่งมันจะไม่เหมือนกันมันบ่งบอกถึงว่าสติสัมปชัญญะเราเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นมันชํานานขึ้นมันรับรู้ได้อะไรพร้อมๆกันหลายอยา่างนะแต่คนเรานี่แค่อันเดียวก็แทบตายละแค่ฟังกับสร้างจังหวะเนี่ยมันก็แยกไม่เป็นนะจิตเนี่ยเห็นไหมมันไม่ได้หมายว่าสมาธิคือนิ่งไปที่ใดที่หนึ่งไม่ใช่มันไม่ใช่แบบนั้นนะมันเหมือนะ เหมือนคนไปเข้าคอร์สลดน้ําหนักเนี่ยลดน้ําหนักเนี่ยมันต้องลดไปพร้อมกันทั้งหมดนะไขมันเนี่ยไม่ได้หมายว่าไขมันส่วนแขนลดไปนี่พร้อมแต่แขนอย่างเดียวแต่ตัวนี้ก็ยังไม่พร้อมไม่ใช่มันพร้อมกันหมดนะไปลดส่วนขาไม่ได้มันต้องลดหมดตัวไปพร้อมๆมกันน่ะมันถึงลดปฏิบัติทำนี้ก็เหมือนกันสติสัมปชัญญะเนี่ยมันจะเป็นแบบนั้นแหละเวลามันสลายทุก มันไปเฉือนทุกข์มันไปทาําลายกิเลสก็จะเป็นภาวะแบบนั้นสําคัญว่าเราจะได้ตัวน้อยหรือตัวมากอย่างที่ว่าในสติเนี่ยเราจะได้กระสุนลูกปืนเนี่ยเราจะได้ปืนแบบไหนเนี่ยจะรู้สึกตัวแบบไหนอันนี้ยความรู้สึกตัวนี้เป็นมหาสติให้ไหมมหาแปบลบว่าใหญ่นะหรือสติแบบวิปัสนาญาณหรือสติรู้ในน้อ ย, อยหรือสติพอประคองให้ทําการทํางานหาเงินหาทองดี ไม่ทุกกับความคิดเท่าไหร่เนี่ยใครว่าอะไรมันก็รู้สึกปล่อยว่างรนะดับนึงแต่ว่ายังดับความคิดความปรุงแต่งในจิตไม่ได้ความรักความชังดับยังไม่เป็นเนะครได้หลายคนนะบางทีบวชเป็นพระมารักษาศีลสองรอยิบเจ็ดศีลห้าศีลแปดศีลสิบอันนี้มันเป็นศีลสังคมมาเนี่ยใช่ไหมมาอยู่ที่นี่แทบจะไม่รับศีลอะไรนะแต่เขาเอาศีปลปรมัดทีเนี่ย บางคนรับสินแต่ก็ยังมีราคาโทสะโมหะอยู่สินดับกิเลสมันดับไม่ได้อะถือศีลห้าก็ยังมีโลภมีโกรธมีหลงอยู่ถือศีลแปดสิน 8, สองร้อยสามร้อยถือทุกข้อแบบพระเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเป็นพระอรหันต์ได้ไม่สามารถที่จะดับทุกได้เพราะสีนเนี่ยมันเป็นเรื่องกติกาสมมติทางสังคมเฉ ย, ยๆคุณนุ่งผ้าแบบนี้นะคุณอยากกินอะไรนั่นนะคนนี้นะนะนะนะแต่ไม่ใช่เรื่องการฝึกกินดับทุกคนละกัน ศีลสังคมกับศีปลปรมัดเนี่ยบางคนเลยอันคนละอย่างแต่ไปให้บางแห่งบางที่เนี่ยเขาจะเน้นเรื่องการรับศีลแบบนั้นไม่ได้พอเลยเพราะสาระเรื่องภาวนาเขาไม่เข้าไม่ถึงไงมันแค่จะจมอยู่แถวเปลือกเปลือกนี่ไงเ น, นี่ยมาที่นี่ไม่ได้จุดทุกเทียนนะท่านวัดส่วนบยระเพราะมันสว่างอยู่แล้วก็ไม่ได้จุดแต่ถ้าคนมัวโง่ถ้าเด็กอนุบาลมาก็ต้องจุดให้มันดูว่าหมายถึงอะไรต้องอธิบายอย่างโน้นอย่างนี้ น, น, นนะ แต่นี่เราไม่เอาไปที่ใจเลยสู้กันตรงๆเลยฝึกฝืนเลยอ่ะถ้าคนมาอยู่ที่นี่ถ้าไม่รักษาศีลด้วยตัวเองแล้วมันจะฝึกเข้าถึงเดิมเนี่ยมันต้องฝึกต้องฝืนแล้วมันจะมากกว่าการรักษาศีลอีกที่ทำเนี่ยมันจะมากกว่าการรักษาศีลรักษาศีลแบบอุปทานเนี่ย ฉันศีลก็มีภาวนาก็ทำวิปัสสนาก็เกิดนี่นนยีอให้ตั้งใจทำเถอะตั้งใจทำเถอะบางคนอาจจะไม่เข้าเข้าใจอย่างการปฏิบัติธรรมเนี่ยคนเข้าถึงธรรมเขาก็มีผัวมีเมียมีครอบมีครัวพระโสดาบันส ก, ก, าาากิตากานะคะาเราเคยเรียนในในตำรับตำราเนี่ยพระ ผู้บรรลุธรรมญาติโยมบรรลุธรรมเนี่ยก็สามารถมีครอบมีครัวมีผัวมีเมียไม่ได้แล้วแม่แต่ว่าถ้าเป็นพระละหันเนี่ยจะมีสภาวะอีกแบบนึ่ง น, นั้นถามว่าเขามีศีลไหมเขาก็มีแต่มีศีลสังวรมีศีลที่จะรักษาจิตเคยมีนะโยมคนหนึ่งไปปฏิบัติธรรมในพระแต้ปิฎกนะไปกับโยมกับพระเป็นสองคนเป็นเพื่อนกั น, กนไปฟังธรรมะพระพุทธเจ้า พอกลับมาคนหนึ่งว่าจะปฏิบัติธรรมเนี่ยจะบรรลุธรรมเนี่ยมันต้องออกบวชเข่งคัดเข้าอยู่ในป่าทอนนั้นมันถึงจะรู้ตัวทั่วพร้อมต่อเนื่องอีกคนหนึ่งเขามีแม่ต้องคอยดูแลผู้หญิงเนี่ยเขาก็เลยมันไม่ได้ไปบวชพระพุทธเจ้าว่าอยู่ที่ไหนทําอะไรก็ตามให้มีความรู้สึกตัวทําให้มันต่อเนื่องอ่มองไปไกลๆอายพระเขาเนี่ย บางคนมันจะเริ่มรู้ตัวนะพุ่งนี้มันจะแอบเป็นนั่งข้างหลังมันกลัวมาอยู่ข้างหน้าพระดูตลอดทีนี้พอทําปุ๊บเนี่ยผู้หญิงเขาตําข้าวตักน้ําเดินโชกลมบ้างทาความเพียรบ้างเอาไปมาบรรลุพระนาคามีแล้วนะจิตเขานะแต่พระไปอยู่ในป่าเพ่งจ้องกําหนดรู้เอาจริงเอาจริงเอาเป็นเอาตา ย, เ, ยเกิดชาโลกีนะมีความโทสะแล้วมันมีพลังสมาธิ มองผ่านโทรสะเหมือนเหมือนเรามีไฟแล้วเเป่าน้ำมันลงไปเนี่ยไปเนี่ยมันจะลุกโพงขึ้นทดดีอ่ะเหมือนกันอ่ะคนที่มีโทรสะมากๆแล้วฝึกสมาธิดีๆเวลามองอะไรเนี่ยมันเด็กไปทางตาเขาเรียกว่าลือสีตาไฟอ่ะนี่นกมันขี้ใส่หัวนะมองก็ไปเห็นนกเนี่ยไม่ตกลงมาตายเลยเฮ้ๆๆคงเข้าใจธรรมะละละเลย 3ามปีต่อมาไปเจอกันผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้เขาอยู่บ้านเขาตั้งใจปฏิบัติธรรมดากำหนดรู้กับกันก็เกิดวิปัสนารู้แจ้งเป็นพระอนาคามีแล้วเกิดมีปฏิสัมพิธาด้วยคือสามารถามีเจโตภริยาญาณดักใจคนอื่นได้ด้วยคนไหนคิดอะไรพระองค์นี้มาเยี่ยมสามปีต่อมารู้สึกว่าพระก็โกรธไม่เห็นโยมมาต้อนรับ มายืนรับบิณฑบาตก็มาเห็นมาใส่บาตรให้สักทีก็งุนิดอึดัดเฮ้ ย, ยทำไมตอนรู้ไม่ออกมาได้ไหมโยมคนนั้นก็ออกมาบอกออกมาแล้วก็ว่าเออมื่อกี้ท่านพวกคิดอย่างนี้ใช่ไหมท่านบ่นในใจอย่างนี้ใช่ไหมท่านเกิดเอา้าทําไมโยมรู้ละ่ะเรยถามไปทํามมาคุยไปคุยมาว่าท่านปฏิบัติทำแบบไหนพระก็บอกว่าท่านเกิดในโอ้ท่านหลงทางแล้วท่านเป็นฌานโลกีแล้วไม่ใช่อริยธรรม ไม่ใช่อรอยิอยะญาธรรมนะเป็นสภาวะอีกแบบหนึ่งท่านทําผิดถ้าท่านทําถูกทำแบบนี้ผู้หญิงคนนี้ก็สอนให้สอนว่าวิธีปฏิบัติทำให้เกิดวิปัสนานี่ทํำยังไงไม่ต้องเข้าป่าเข้าดงก็ได้เขาบอกไม่ต้องถือศีลเก่งคัดแบบท่านก็ได้ฉันก็ทํากับข้าวมาใส่บาตรใส่ใดทําไปดูแลแม่ลูกหลาน คือวิปัสนาเนี่ยคือการบรรลุธรรมในชีวิตประจำวันนั่นแหละถ้าเข้าใจถูกมันจะง่ายแต่เข้าใจไม่ถูกเนี่ยมันจะเป็นศีลพตะพัฒปรามาตรถือศีลถือทำแบบงมงายถือสมาธิแบบงมงายเป็นอัตตาตัวตนเดี๋ยวนี้คนแบบอยว่บวชทแล้วไม่เห็นบรรลุทํามไม่เห็นเข้าใจธรรมะอนวันนี้เพราะอะไรเริ่มต้นมันก็ผิดแล้วนะพระเขาก็สอนสอนแบบไหนเนี่ยสอนแบบงอมือสอนสวยหา่างแบบอัติเลกขลาบ ไม่ได้สอนเพื่อให้ออกจากทุกข์แต่สอนให้เกิดศรัทธาเพื่อทําบุญทาทานได้เฉยเขากลัวยอมโยมทุกข์ไม่กล้าฝืนโะอาโยมแล้วแต่บุญแต่กรรมนะแล้วแต่วาสนาแล้วแต่บา ร, รมีที่นี่หม่คนไหนขยันคนนั้นก็เป็นเนี่ยคนไหนตั้งใจมันก็เป็นเหมือนเนี่ถ้าเคาะมันก็ดังถ้าทําเป็นเนี่ยถ้าเคาะไม่ถูกมันก็ไม่ดังถ้าเคาะถูกมันก็ดังะ เหมือนขนาดถ้าทำถูกก็เนี่ยเราก็จะสอนวิธีให้มันถูกก็เนี่ยปฏิบัติทำถ้ามันยังไม่ทำก็ะจะบอกวิธีให้ตั้งใจทำท ำ, ทำถูกมันก็ต้องเกิดวิปัสสนาเพราะนี่ไม่ใช่เรื่องบุญบา ร, รมีไม่ใช่ชาตินิชาติอะไรถ้าทำถูกมันก็เกิดเนี่ยทำสติเนี่ยตัดความคิดตัดความปุ๊งแต่เกิดความโม่งความเหงาเนี่ยทําไมปัญญาจะไม่เกิดแต่สําคัญว่าเราเอาจริงไหมจิมาเนี่ยนั้นเราก็จะคัดเลือกผู้ไม่จริงออกไปปัญหามัน เห้เหลือแต่คนจริงคนจรงคนตั้งใจคิดว่าคงทำได้คงฝึกคงฝืนได้ตอนเช้าก็ตื่นแต่เช้าไปแล้วนอนเลยนะ่าจะตื่นมาในง่วงนะง่วงมากนะฝืนเอาฝึกเอ า, เอาตั้งใจเอาเวลาเข้าใจธรรมะแหละชีวิตของท่านพวกกตมาไม่ได้เกี่ยวกับชีวิตโยมโยมคือโยมก็มีอย่างหนึ่งก็คือทำดีไว้ให้ลูกทำถูกไว้ให้ล้าน ถ้าท่านเข้าใจต่อไปเนี่ยลูกหลานท่านมันก็จะเกิดมาแบบคนมีปัญญาแบบพุท ธ, ธะเป็นถ้าไม่ฝึกให้มันมันก็จะอยู่กับรูปรดกลิ่นเสียงอยู่กับราบยศสรรเสริญแบบมัวโง่สแสวงหาแบบโลกๆนั่นแหละแต่ไม่ได้สแสวงหาแบบธรรมขั้นสแสวงหามักหาผลหาการหลุดพนเนี่ยพราะพรุทธเจ้าท่านสรรเสริญว่านี่คือการสแสวงหาแบบประเสริฐอันเนี่ยอันนั้นไม่ประเสริฐแล้วเสียเวลาตายฟรีเกิดมาเนี่ย ตาฟรีนะแต่การเกิดมาแล้วเราได้เห็นทุกข์เราสามารถดับทุกข์ได้ยินได้ฟังท่านพูดถึงเรื่องทุกข์ได้ได้ฝึกได้ฝนเนี่ยพอเข้าใจรีบทำเถอะรีบเดินทางเถอะชีวิตเนี่ยก่อนตายเนี่ให้ได้นิพพานเถอะก่อนให้บรรลุมรรคผลเถอะอัอตามาก็ดีใจนะคนมาปฏิบัติธรรมที่นี่ส่วนมากจะเป็นคนที่ที่ตั้งใจมาแบบมีจุดมุ่งหมายไม่ได้เอาปภพเกณฑ์มานะ อ้วกลุ่มนั้นมาเด็กน้อยมาที่นี่ไม่มีมีแต่ผู้ใหญ่ที่รู้จักที่ตั้งใจบอกกันไปแล้วก็มาฝึกมาฝนมันก็ไม่ได้รบกวนอะไรกันต่างคนตา่างทําที่วัดนี่มีห้องน้ําพอสมอควรนะทางโน้นก็เป็นของผู้หญิงไว้ซะนถ้ามาทําฟังเทศฟังธรรมเนี่ยทั้งอย่างเยี่ยวอยากอะไรกันจะลุกไปลุกมาบ่อแล้วลุกไปแล้วลุกไปแล้วมาดูกันสองคนก็ ไปเยี่ยวพร้อมกันอะอยู่ประมาณนั้นอยาให้มันเป็นทำามานี่ก็ไปเยี่ยมในนี่ผู้หญิงเนี่ยตรงรูเมนนี่เนี่ยที่เผาศพนี่น่ ะ, นนะไม่ต้องไปทางโน้นนะผู้ชายก็ไปทางโน้นถึงเวลานอนก็นอนถึงเวลาตื่นก็ตื่นปัดกวาดช่วยเช็ดถูช่วยเขาไม่ใช่มาเป็นพระเถระนะตื่นมาในขับปูให้เสร็จสับ มากระนั่งเสวยทุกวันทุกวันเนี่ยแม่เอาอันนี้ก็คือกระบวนการฝึกนั่นเองอะ่นะเป็นแบบฝึกขัดคุณต้องตื่นดูแล้วมาปัดมากวาดัดมาเช็ดมาถูตอนเย็นก็เก็บเปลี่ยนกันล้างแก้วล้างจานนระู้จักจปัดกวดัดถน น, นพ้นทางเวลาเขาบอกให้ทําทํานะอันนี้คือฝึกนะเนี่ยฝึกไม่ได้เหมือนบางวัดนะนะนะหรือบางแห่งบางที่ถึงเวลาก็เชิญนั่เชิญมาหรือเวลากินก็กินเสร็จปุ๊บก็เขาไปนอน มาเขามานั่งหลับเลยไม่มีเนี่ยท้องฝึกสติเหมือนที่พระท่านเขาอยู่เนี่ยเขาอยู่ยังไงเป็นยังไงบางแห่งแล้วถ้าท่านไม่กระตือรือร้นช่วงแรกอาจจะถูกลังทงโทษนะแต่มันคงเป็นวันเดียวแต่นนต่อไปมันจะรู้สึกตัวเองมันจะเป็นเองอ่ะมันจะรู้สึกจังหวะเวลาเพราะนั้นท่านมาใหม่น่เหมือนสะพายใหม่กําลังแต่งงานนเข้าอยู่สกุลผัวจะต้องระมัดระวังตื่นที่หลัง ตื่นก่อนนอนที่หลังเนีการกินการดื่มต้องระมัดระวังเสียงเบาๆอย่าดังมากอย่ามุ่มมามอย่า ก, กินมากถ้ากินมากก็ง่วงมันง่วงมันเหากินเนี่ยกินเพื่อรักษาสติตัวเองให้อยู่ตลอดนะไม่ใช่กินแบบอิ่มนะที่เนี้ยนั้นเอาพอดีทุกอย่างพอดีพอดีอดเอาตั้งอตั้งใจนะที่นี่ อย่าเอาอผ้าห่มมุกมาด้วยนะตอนเช้านะ่ะห่มพนวนมอก ม, มาไม่เอามาหนาวประไนะัยก็ตามเนี่ยพระเขทําเป็นตัวอย่างเนะี่ยห่มผ้าครึ่งนึงเนี่ยครึ่งหนึ่งก็ยังไม่ห่มเลยโยมมีทั้งแขนเสือ้อมีทั้งนั้นทั้งนี่นะมันก็เอาพอดีอผู้ชายก็อย่าไปทางผู้หญิงเวลาปัดกวาดเวลาทำอะไรก็ไม่ต้องไปทางโน้นนะทางใครทางมัน ผู้ชายก็อยู่ท่านี้ผู้ชายก็หลายคนอยู่เนาะสองตึกก็คงพออยู่ได้เนาะที่อยู่ที่นอนตื่นขึ้นก็เก็บบ้านอย่าให้มีนะนมขนมน ม, นมเนยอะไรอยู่ในที่พักเนี่ยไม่ให้มีมาที่เนี่ยโทรศัพท์เดดขาดอย่าให้มีถ้าโทรศัพท์หายเนี่ถือว่าหายไปเลยนะอย่าาให้ประกาศนั่นประกาศนี่นะแต่ถ้าฝากไว้ก็คือฝากไว้ไอ้ที่ฝากไว้นี่ยก็ไม่รับประกันนะหายก็แล้วไปนะ พอมันไม่ได้รวยพอจะมาใช้ทโทรศัพท์ใครอะมาที่นี่ไม่ต้องอ่านหนังสือไม่ต้องอ่านหนังสือให้อ่านจิตตัวเองอ่านอารมณ์ตัวเองมาที่เนี่ยอย่ามาทําวัดทําวาเนี่ยไม่ต้องมาเปิดอ่านบทนั่นบนใหม่ตอนขากลับคนไหนปฏิบัติ ด, ดีเราแจกหนังสือนี่ถ้าปฏิบัติไม่ดีซื้อขาย ขายหนังสือนี่ก็ไม่ต้องคิดหรอกเพราะเขาขายแพงเล่มละหกร้อยบาทนั้นเว้ยอยู่ดีกว่ากูมไม่สนใจเรื่องจะซื้อแล้วแล้วรีบตั้งใจปฏิบัติซะไมาคิดเรืงหนังส ύ, ือหนังส ύ, ือหนังหาไม่ต้องไปสนใจอะไรเลยตั้งใจปฏิบัติทมเนีลยบางทีสทีท่านอ่านตัวเองเนี่ยท่านอาจจะรู้แจ้งมากกว่าในหนังสืออีกแต่มานี่ไม่ต้องไปอ่านมันทนพาสวดบนก็สวดพอสวดจบเก็บทันทีเลยอย่าไม่สนใจมันจะไม่เปิดเล่นเปิดหัว อันนี้ขี้เกียจสอนขี้เกียจบอกขี้เกียจกล่าวจบแล้วคือจบไปนะคือมันไม่มีโอกาสที่จะเข้าใจอะไรในนั่นหรอกพาสวดอะไรก็สวดแล้วก็กลับมารู้สึกตัวนี่ตั้งใจทําทมาเนี่ยแก่นของมันคืออันนี้นะตําราคือนั้นตานะําราในวันชี้มาที่จิตเราแต่ถ้าเรามวลแต่ดูตาําราเราก็ไม่เห็นจิตเราสักทีเข้าใจนะช่วยกันเด้อเวลานักเออผู้ชายเก็บเมา หญิงล่างแก้วอะไรก็วนะ่าเนี่ยหรือว่าแถวที่หนึ่งไปแถวที่สองยูเนี่ยแล้วแตท่านจะพูดเวลาลุกก็เหมือนกันนะเวลาลุกเนี่ยส่วนมากเขาจะให้คนข้างหน้าลุกก่อนนะไม่ใช่ลุกปุ๊บคนข้างหลังก็ลุกเลยไม่ใช่นะคนข้างหน้าลุกคนที่สองค่อยลุกคนที่สามค่อยลุกไปรับประทารก็เหมือนกันในวัดเนี่ยแล้วแต่เขาจะชี้ให้คนไหนไปคนไหนไม่บอกก็ไม่ไปแถวไหนห้ามไปก็คือห้ามไปกินเวลาดื่มเวลาเนี่ย ฝึกจนกรทงว่ามันไม่หงุนงิดกับกับระเบียบวินัยอะไรที่เขาใช้เนี่ยยังไงก็ได้ยังไงก็ได้เนี่ยมันถึงจะเป็นคนขึ้นมานะะแต่ถ้ามันมีอัตรากา็งุหงิดทำไมต้องอยังนั้นทำไมต้องนี้อย่ายมาอย่างนั้นอย่างนี้ในนี้่ปล่อยวางมันทําเหมือนคนตายแล้วเนี่ยเขาผักไปทางไหนก็ไปทางนั้นง่ายๆท า, าเหมือนน้ำก็เลี้ยวๆไม่มีตัวตนเทใสแเข่าก็เป็นลูกเข่วใสก่กระป๋องก็เป็นลูกกระป๋องใส่ ก, ก, ก, ก, กวดก็เป็นลูกกวดเนี่ย นนะเหมือนกันอ่ะปฏิบัติทำเรนนี้เหมือนกันท่านให้ทําอะไรก็ทำตามนั่นแหละไปดีืด่อยอันไหนฝึกไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอย่าไปงงเงียเอาไหมเอาไหมอยู่แต่พร้อมที่จะฝึกอย่าคิดว่าอันนั้นมันพิษอย่าคิดว่าอันนี้มันถกูกมันไม่มีผิดมีถูกอะ่ะแต่ทุกอย่างเนี่ยเป็นกระบวนการที่ฝึกเราเฉยๆเต็มตัวนั่งคุ้งเขาปกติเข้ามาในนี่เขาห้ามนั่งขัดสมาดนะนั่งประเพียบ